ก็ขอจเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้จะมาสนทนากล่าวพระธรรมเกี่ยวในเรื่องของพรหมวิหาระธรรมแล้วก็เชื่อมลงสู่สังหาวัตถุแล้วก็เป็นการยกตัวอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลแล้วก็เชื่อมโยงในเข้าสู่ในภาคการปฏิบัติการในชีวิตจริงในะปัจจุบัน ก็จะใช้เวลาที่มีเหลืออยู่นี่แหละที่ว่ามีโอกาสในการจะกล่าวพระธรรมให้เราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจในการที่จะได้รับฟังคำว่าพรหมวิหารเนี่ยถ้าพูดในเรื่องของคําสอนมาจากคําว่าเป็นคําบาลีนะพรหมวิหารตัวเนี้ยเป็นภาษาบาลีก็แปลว่าทำเป็นเครื่องอยู่ของพรหมมาจากคําว่าพรหมะบวกคาว่าวิหาร ประกอบกันก็เรียกว่าพรมศัพ์นี้ก็แปลว่าพรมนี่แหละวิหารตอนนั้นนี่ยวินี่เป็นอุปสรรคหะธาตุในความหมายว่าหาะนี่ฮะหรณะนี่เป็นอยู่วิหารโรก็มีอาจบอกว่าวิหารติเตนาติวิหารโรก็แปลว่าชนย่อมอยู่ด้วยธรรมนั้นเหตุ น, นั้นธรรมนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องอยู่แห่งชนนั้นถ้าบอกว่าพรมวิหารโรเนี่ย พรมะมวิหารก็มาจะกว่าพระโมโนวิหารโรพรมะมวิหารโ ร, รก็แปลว่าธรรมโมก็แปลว่าอะไรทำเป็นเครื่องอยู่ของพรหมจึงชื่อว่าพรหมวิหารสรุปก็คือว่าเป็นธรรมะที่อยู่หรือธรรมะเครื่องอยู่อย่างประเสริฐธรรมประจําใจอันประเสริฐหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกํากับความประพฤติจึงจะชื่อว่าเป็นการดําเนินชีวิตที่หมดจด และปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้โดยชอบใช่ไหมหลักการนี้เป็นอย่างนี้ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าในยุคก่อนเนี่ยก็ถือกันว่าพระพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ดลบันดาลเป็นผู้สร้างสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายอันนั้นเป็นกลุ่มเทวานิยมเขาเชื่อกันอย่างนั้นแต่เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสธรรมะที่เรียกว่าเป็นพรหมวิหาร ทำเป็นเครื่องอยู่อันประเสริฐทำประจำใจอันประเสริฐหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์หรือธรรมะที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจเอาไว้เพื่ออะไรและกำกับพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวาจาและการดำเนินชีวิตจึงจะชื่อว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่หมดจดและปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้อย่างถูกต้องและดีงามนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้เสียจะได้ชัดว่าอ๋อพระมิหารจริงๆก็คือต้องการให้ ก็เลยบอกว่าในพระมวิหารดังที่ได้กล่าวกันเมตตาความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนารุณาที่เราแปลกันว่าสงสารหรือกภาวะที่เมื่อสัตว์ทั้งหลายประสบความทุกข์เนี่ยทนนิ่งดูได้ไม่ได้ในอันที่จะขวนขวายช่วยเหลือบำบัดความทุกข์ให้แก่หมูสัตว์นั้นๆมุทิตาก็คือพรอยยินดีอุเบกขาก็คือการวางใจเป็นกลางในสัตว์ทั้งหลายโดยไม่ ไม่ปล่อยใจเอียงๆไปทั้งชอบใจและไม่ชอบใจเป็นต้นเพื่อจะรักษากฎเกณฑ์ธรรมะหรือกฎความจริงนั้นให้เป็นไปตามธรรมดางธรรมชาตินั้นๆฉะนั้นถ้ามองในลักษณะอย่างนี้จะเห็นได้ชัดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีความประสงค์ต้องการให้พรหมหรือให้ธรรมวิให้พรหมวิหารธรรมหรือธรรมะทั้ง4ประการเนี่ยเกิดขึ้นในกระแสชีวิตของมนุษย์ แล้วก็ให้มนุษย์นั้นเน่ยเป็นพรมเป็นเป็นผู้มีเป็นผู้ประเสริฐซะเองเลยเพราะว่ามีธรรมะมีธรรมะที่เป็นหลักในการดําเนินชีวิตหรือธรรมะที่มีไว้เป็นหลักใจก็คือทํามันประเสริฐมีไว้เป็นหลักใจนี่แหละเอาไว้กํากับพฤติกรรมก็เชื่อว่าเป็นการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปด้วยความถูกต้องประเด็นดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเมื่อวันก่อนว่า ปัญหาคือว่าเมื่อเราเข้าใจในเรื่องของพรหมิหารพอสมควรแล้วเนี่ยว่าเมตตาเนี่ยใช้ในสถานการณ์ที่ปกตินะในยามที่เขาปกติก็ใช้เมตตาคือความรักปรารถนาดีเอื้อทอนกรุณาใช้ในสถานการณ์ที่ผิดปกติในยามที่เขาประสบปัญหาชีวิตตกต่ํามุทิตาก็ใช้ในสถานการณ์ที่ผิดปกติขาขึ้นที่เขาได้ดีมีสุขส่วนอุเบกขาเนี่ยใช้ในสถานการณ์ที่จะรักษาธรรมะ ความถูกต้องดีงามทั้งหลายไม่ให้เสียธรรมะให้มนุษย์นั้นยึดโยงกับพระธรรมจะได้ไม่มีชั้นทากติโทสาคติโมหคติพยาคติเป็นต้นทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ตรงที่ว่ามนุษย์เวลาเกิดที่จะทำรร ม, มาใช้ขึ้นมาใช้ไม่ทันต่อสถานการณ์ไม่สามารถที่จะหมุนเอาธรรมะให้เกิดขึ้นหรือเอามาใช้ใทันได้นี่นระการที่หนึ่งอิ ก, รการที่อิกปการต่อไปก็คือว่าอย่าว่าจะหมุนเอามาเกิดขึ้นได้จริงเลยเนี่ย ไม่รู้จะผลักดันทําให้เมตตาเกิดขึ้นได้อย่างไรกรุณามุติตาเวกขาเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อวานก็เลยบอกว่าองค์คุณหรือคุณธรรมที่จะผลักดันให้ตัวเมตตาเป็นต้นเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมาจากอะไรมาจากตัวฉันทะฉันทะที่แปลว่ามีใจรักเนี่ยหรือว่าตัวฉันทะนความปรารถนาเนี่ยในการที่จะทําเมตตาเป็นต้นให้เกิดขึ้นทีนี้ฉันทะเนี่ยไอตัว ฉันทาเนี่เป็นมูลของธรรมะทั้งปวงฉันทามุราการสะเพธธรมาธรรมทั้งหลายเนี่ยหรือสภาพธรรมทั้งหลายมีฉันทาเป็นมูลมีฉันทาเป็นต้นเขาฉะนั้นตัวฉันทาเนี่เวลาจะทําเมตตาเกิดขึ้นก็ต้องมีใจรักใจรักว่าใจรักก็เมตตาดีจริงๆรักอะไรรู้ไหมเห็นคุณเห็นคุณของเมตตาเห็นคุณของขันติเห็นคุณของความไม่โกรธ และในขณะเดียวกันก็ไปเห็นโทษของมีดหินโทษของโทสะว่าสภาพของโทสะความโกรธความพยาบาทความอาฆาตทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้โทสะนี่มันมีโทษนะมันมีผลเสียต่อกระแสชีวิตแล้วก็เห็นคุณประโยชน์ว่าถ้าในอันธภาพนี้ในกระแสชีวิตนี้ถ้าไม่สามารถผลักดันหรือมีใจรักในการที่จะทาเมตตาให้เกิดขึ้นประชุมในกระแสชีวิตได้จริง ไม่สามารถเอาเมตตามาไว้เป็นหลักใจได้จริงในชีวิตพังแน่นอนชีวิตจะต้องเจ็บปวดชีวิตจะต้องประสบปัญหาชีวิตจะต้องทนทุกข์แน่นอนเพราะเมื่อเมตตาไม่เกิดขึ้นโทสะก็มาเกิดขึ้นแทนที่เมื่อโทสะเกิดขึ้นแทนที่โทสะก็จะเบียดเบียนบีบค er ั er ้นแล้วก็จะเบียดเบียนตนเองด้วย e ปัสสาสะลายตนเองด้วยเป็นฆ่าศึกภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นศัตรูภายในและเมื่อโทสะมาครอบงากระแสชีวิตแล้วเนี่ย โทษสาก็จะบงการกระแสชีวิตให้ไปประทศสลายบุคคลอื่นไปประทศสลายล่มเบียดเบียนบุคคลอื่นแล้วก็ทําให้สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมนั้นเดือดร้อนกันเป็นแถวเป็นแนวเลยอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมว่าโทษสาเนี่ยมันเป็นโทษที่ร้ายกาศมันเป็นสภาวะที่ร้ายกาศมากและเราก็ไม่เห็นโทษของมันไม่เห็นว่าเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมันทําให้เราเจ็บปวดยังไงทรมานยังไงเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นการที่มีใจรักเนี่ยในการที่จะทําให้เมตตาเกิดขึ้น แล้วก็มีความเพียรพยายามในการที่จะทำให้เมตตาเกิดและในขณะเดียวกันก็มีการจิตจดจอ่อมุ่งมั่นว่าไม่ได้เมตตาไม่เข้าถึงเมตตาเมตตาไม่มาเป็นหลักประจำใจไม่หยุดไม่เลิกเด็ดขาดแล้วก็มีปัญญาตรวจตราสอบสวนในการที่จะทาให้เมตตาดาเนินไปได้อย่างดีและเป็นไปดาเนินไปตรงทางดังที่ได้กล่าวไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นเมตตากรุณาเป็นต้นเหล่านี้ การที่จะทำจิตให้เบาเบาในที่นั้นคือไม่หนักด้วยด้วยกำลังของอกุศลทำจิตให้อ่อนอ่อนอ่อนควรนุ่มนวลที่เป็นไปกับความรักความป ร, รารถนาดีความเมื่อทอนทำจิตนั้นให้มีควรต่อการงานนั้นเป็นกุศลก็คือเป็นไปในการที่จะดาเนินไปตามทานศีลภาวนาหรือเป็นกุศลจริ ง, รงๆและก็คล่องแคล่ว แล้วก็เป็นจิตที่ซื่อตรงดําเนินไปตรงตามมัชฌิมาปฏิบัติที่เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมะในชีวิตจริงได้จริงๆเนี่ย จ, จะต้องมีความชาญฉลาดมากในการที่จะให้เหตุปัจจัยที่จะทําให้เมตตาเนี่ยเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเมตตาคือความรักความปรารถนาดีความเมือทอนเนี่ยที่จะเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่จะพากให้เกิดขึ้นและใช้ได้ทันต่อสถานการณ์ เอาท่าต่อสายการเอานึกถึงโบราณสมัยโบราณเนี่ยเขาที่เรียกว่าพิกเรือนเหนือเกลือเกลือนใต้หมูไปไก่มาก็ไดย้ยินคํานี้ไหมน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าข่าพึ่งเจ้าบ่าวพึ่งนายถ้าเป็นคําโบราณอีกคำหนึ่งถ้าเป็นคํากรนในสมัยโบราณไม่มีอะไรนะเสีย เ, เสือผีเพราะป่าโปกป่ารกเพราะเสืออย่างดินเย็นพ่อหญ้าบางหญ้ายางพอดินดียมก็ได้ยินคำนี้เ <c oughs> ขาพูดอย่างนี้คือการเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันก็คือเมตตาเป็นต้นนี่ยแหละก็อย่างออางี้ว่า เสือพีเสือจะอ้วนได้เนี่ยจะอ้วนจะพีจะมีพละงกำลังดีได้เพราะมีป่าเสืออยู่ในป่าเสือพีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือยังแปลว่าอะไรก็คือว่าสมัยก่อนคนไม่กล้าไปตัดไม้ทำลายป่าเพราะกลัวเสือเสือดุเสือริชามเห็นไ้ยว่าเอื้ออาศัยกันเสือพีเพราะป่าปกป่ารกเลยดินเย็นเพราะหญ้าบังดินที่จะมีโอชะจะชุ่มชื้น จะมีสารอาหารดีได้ก็ต้องมีต้นไม้ใบหญาแล้วก็หญ้าอย่างพอดินดีต้นไม้ใบหญ้าจะเจริญงอกงามได้เพราะว่าดินดีนี่ก็เหมือนกันว่าสมัยก่อนเขาจะอยู่กันอย่างนี้ว่าพริเกเรือนเหนือเกลือเรือใต้หมูไปไก่มาแปลว่าอะไรเวลาทําอาหารแต่ละทีเนี่ยเขาก็แจกกันเอาไปแจกบ้านนั้นไปแจกบ้านนั้นบ้านนั้นมีอาหารดีก็กลับมาแจกบ้านอย่างี้เป็นต้นอันนี้บองบอกว่าเขาเมตตากัน ทีนี้เมตตากันในเวลาเมตตาในใจอย่างเพียงอย่างเดียวไม่พอมีความรักปรารถนาดีในยามปกติแต่เวลาเาผักออกไปเป็นสังฆวัตถุใช่ไหมที่ได้พูดไว้แล้วว่าจพระมิหารเนี่ยพระมวิหารเนี่ ย, เ, ยเป็นธรรมะที่เกิดในใจเมตตาก็ดีกรุณาก็ดีมุทิตาก็ดีเนี่ยตลอดถึงอุเบกขาก็ดีนี่เป็นธรรมะประจําใจอันประเสริฐคุณธรรมอันประเสริฐแล้วก็ ธรรมะที่ควรมีไว้เป็นหลักใจและไว้กำกับพฤติกรรมที่ถึงจะดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความหมดจดและก็ประพฤติปฏิบัติต่อคนและสัตว์ทั้งหลายให้ถูกต้องดีงามได้ฉะนั้นการที่จะมีพรหมวิหารไว้ในใจแล้วเนี่ยดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเมตตาใช้ในสถานการณ์ที่ปกติกรุณาใช้ในสถานการณ์ที่ผิดปกติที่เขาตกต่ำย่ำแย่มุติตาใช้ในสถานการณ์ที่ ผิดปกติเหมือนกันเขาประสบความสําเร็จในชีวิตส่วนอุเบขาเนี่ยใช้ในสถานการณ์ที่จะรักษาธรรมะรักษากฎเกณฑ์กติกาเป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามทีนี้ธรรมะเหล่านี้เป็นหมวดของอยู่ในอธิจิตตศิกขาก็คืออยู่ในหมวดของกรรมฐานเลยว่างั้นเถอะในอยู่ในกรรมฐาน40นี่ภาคภาคที่จะต้องอยู่ในใจแต่ว่าปฏิบัติออกมาเนี่ยก็จะต้องขับเคลื่อนคือว่า รับกันกับอะไรสังขาวัตถุเนี่ยหรือว่าธรรมะรับช่วงเนี่ยมีเยอะเช่นว่ารับช่วงกับพระ ม, หรรมิหารสีโดยตรงก็ได้แก่สังขาวัตถุสังขาวัตถุนี่แหละที่ชื่อว่าคาว่าวิหารก็คือทำทำเป็นที่อยู่ของใจธรรมะประจำใจใช่ส่วนว่าสังขารนี่เป็นธรรมรวมสังขมฉะนั้นสังขาวัตถุเนี่ย จึงแปลว่าทําเป็นที่ตั้งเหตุการสงเคราะห์สังขาก็แปลว่าการสงเคราะห์วัตถุแปลว่าที่ตั้งพูดเป็นภาษาไทยก็คือทําเป็นที่ตั้งก็คือหลักก็คือหลักนั่นเองวัตถุก็คือหลักแล้วก็สังขารก็คือการสงเคราะห์การสงเคราะห์เนี่ยก็คือการช่วยเหลือการช่วยเหลือที่จริงศัพท์คําว่าสังขารแปลว่าการจับ จับมารวมรวมกันก็คือจับคนมารวมกันแล้วก็ทำธรรมะให้เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นสรุปก็คือว่าในกรณีที่เราจะให้ธรรมะมารับช่วงจากพระมิหารถ้าเป็นคารวาสโดยทั่วไปเนี่ยก็เอาหลักของสังคหะวัตถุทั้ง4ประการมีอะไรอะ่ะทานคือการให้ปิยวาจาคือการกล่าววาจาอันอ่อนหวาน อัตจริยาคือการประพฤติประโยชน์สมาณตตาก็คือการวางตนที่เหมาะสมเสมอต้นเสมอไปไม่เลือกที่รักไม่ผักที่ชังก็ว่าค่อยว่ากันตามลําดับในธรรมะสีประการเนี่ยเป็นธรรมะที่รับช่วงจากพระวิหารเขาเรียกธรรมะภาคปฏิบัติการส่วนพระวิหารเนี่ยเป็นธรรมะประจําใจเป็นธรรมะที่ควรมีไว้เป็นหลักใจเพื่อไว้กํากับพฤติกรรมเพื่อจะได้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเป็นต้น ทีนี้เมื่อเราสามารถเดินพรหมวิหารได้จริงนะเช่นว่าใช้ให้ทันต่อสถานการณ์ในยามที่ปกติใช้เมตตาในยามผิดปกติขาลงใช้กรุณาในยามที่ผิดปกติขาขึ้นเขาประสบได้ดีมีสุขใช้เุทิตาในยามที่จะรักษาธรรมารักษากฎเกณฑ์กติกาใช้อุเบกขาทีนี้การที่จะสลับเมตตากรุณาเวทีตาอุเบกขาให้ทันต่อท่วงทีทันต่อสถานการณ์ไอตรงนี้แหละเป็นศินละปะเป็นความสามารถ เป็นความเข้าใจอย่างดีแท้เลยและมันต้องเปลี่ยนสถานการณ์ตลอดและให้ทันต่อสถานการณ์ด้วยถึงจะชื่อว่าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเหมือนรถเนี่ยเวลาเราจะใช้รถก็วิ่งบนบกใช่ไหมเรือก็วิ่งบนน้าเครื่องบินก็วิ่งบนอากาศถึงไ้มจะใช้ใช้อย่างเดียวไม่ได้เลยแม้รถเนี่ยถ้าเราวิ่งทางเรียบวิ่งขึ้นเขาหรือทางเป็นโขดขั้เนี่ยสภาพรถยังต้องเปลี่ยนปรับไปตามสถานการณ์เรือก็เหมือนกันเวนลาเราจะใช้วิ่งในคลองก็ดีวิ่งในแม่น้ําใหญ่ๆวิ่งในทะเลเนี่ย เครื่องบินที่จะบินใกล้ๆหรือเครื่องบินบินไกลมันก็ยังต้องปรับไปตามสถานการณ์แม้ชั้นใดธรรมะคือพรหมวิหารคือเมตตากรุณามุริตาและเวขาเนี่ยก็ต้องใช้ให้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์ออยกตัวอย่างเช่นให้เห็นเลยนะในยามที่พ่อป่วยป่วยหนักถ้ามีพ่อมีคุณพ่อป่วยแม่ก็ได้พ่อก็ได้ในวาระนั้นนะลูกควรจเจริญพรหมวิหารอย่างไรในด้านจิตใจก่อน อันดับแรกก็คือชัดก็คือการุณาการุณานี่แปลว่านิ่งดูดายไม่ได้จิตใจเกิดการหวั่นไหวนิ่งดูดายไม่ได้ในการที่จะเห็นพ่อก็ดีเห็นหมู่สัตว์กันหลายที่กำลังประสบปัญหาชีวิตก็เกิดนิ่งดูดายไม่ได้ควนขวายในการที่จะหยิบยื่นประโยชน์ในการที่ไปบำบัดทกบำรุงสุกให้กับเขาไปควนขวายช่วยเหลือเขาทีนี้ พอเมตต า, อาพอการุณาเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดการคิดหาวิธีการในการที่จะทำอย่างไรหนอให้คุณพ่อเนี่ยคลายจากความทุกข์คลายจากปัญหาชีวิตหรือประสบปัญหาชีวิตนั้นๆเอาและในีระดมศรกยภาพแล้วและในขณะเดียวกันนะกรุณาเนี่ยต้องสังเกตดูว่าการุณาเนี่ยเขาจะต้องกำจัดความความคิดเบียดเบียนเมื่อการุณาเกิดขึ้นหรือการุณามานั่งแท่น พอมีใจรักในการที่จะทำให้กรุณาเกิดขึ้นเพียรในการที่ทำให้กรุณาเกิดขึ้นจดจอในการจะทำให้กรุณาจิตเกิดขึ้นแล้วก็การที่มีปัญญามาวิจัยแยกแยะจะทำให้กรุณาเนี่เกิดขึ้นเพราะกรุณาเกิดได้จริงผักดันให้กรุณาเกิดขึ้นได้จริงมีใจรักเห็นประโยชน์ว่ากรุณาเกิดขึ้นแล้วจะทำให้กระแสชีวิตของตนเองนั้นตั้งอยู่ในธรรมะคือกรุณาได้ แล้วจะพัฒนากรุณานั้นให้แข็งแรงให้เจริญไพบูรพิญโยภาพ ย, ยิ่งขึ้นไปได้จริงเพราะกรุณาเกิดขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถสงบระงับจิตที่คิดเบียดเบียนเนี่ยอันตรธานหายไปแล้วทีนี้ขวนขวายพอภาคปฏิบัติการออกมาจะเป็นด้านของสังหาวัตถุเช่นเอาน้ำไปให้พ่อๆด้วยใจด้วยใจกรุณาพอเอาน้าไปให้เอาอาหารไปให้เอาเสื้อผ้าไปให้เอาเครื่องนุ่งห่มไปให้ เอาที่อยู่ไปให้หรือไปดูแลไปนวดไปฟันในขนาดนั้นน่ในขณะที่ทำทางกายขณะที่ทาไปอย่างนั้นก็เรียกทำด้วยกรุณาเขาเรียกว่าการุณากายกรรมหรือเรียกว่าเป็นการให้ด้วยกรุณากระทำด้วยกรุณานี่นกระทำออกมาทางกายด้วยการุณาแล้วทีนี้ไม่ใช่ทำทางกายอย่างเดียวแล้วก็พูดปลอบโยนให้กำลังใจคุณพ่อเป็นต้นด้วยบอกพ่อพ่ อ, พอต้องอดทนนะหนูรักพ่อ แม่แม่ต้องอดทนนะหนูรักแม่นี่น้ำนะพ่อต้องกินน้ําพ่อต้องห่มผ้าพ่อต้องดูแลตัวเองให้ดีนะหนูจะนวดพัดฟันให้อะไรต่างเนี่ยพ่อเป็นหลักในการดําเนินชีวิตของหนูเลยนะเป็นที่พึ่งเป็นหลักของครอบครัวถ้าพ่อยังดูหนูจะมีกําลังใจทกเวลาที่พ่ออยู่เนี่ยเป็นประโยชน์แก่หนูมากเป็นประโยชน์แก่ฉันมากเพราะทาให้ฉันได้ทําหน้าที่ของความเป็นลูกได้เต็มที่ ฉะนั้นความอดทนของพ่อทุกขณะจิตเนี่ยทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยมีคุณค่ากับกับผมมากกับฉันมากการที่พูดในลักษณะนี้เ็าเรียกว่าการุณาวจีกรรมแล้วก็บอก็ะทำประโยชน์ออกมาอันนั้นก็เรียกประพฤติประโยชน์ด้วยกรุณายนี้เป็นต้นฉะนั้นในขณะที่ขวนขวายออกมามีกรุณาเป็นตัวผลักดันเป็นแรงผลักดันมีกรุณาจิตก็คือทนอยู่ไม่ได้ภาวะที่จิตเนี่ย วันไหวต่อความทุกข์ของบุคคลอื่นก็ขนขวายมาในการช่วยเหลือดูแลอันนี้แปลว่าท่านผู้นั้นกําลังปฏิบัติกรุณาได้จริงแต่ต้องระวังต้องระวังว่าถ้าปฏิบัติไปดูแลไปแล้วอาการของพ่อสุดลงสุดลงอาการของแม่สุดลงสุดล ง, ดลงต่ําลงแย่ลงแยง่ถ้าไม่ระวังกรุณาในใจมันจะกลายเป็นโทมนัทโทมนัทก็คือ น้อยเนื้อต่ําใจโกรธหงุดหงิดขึ้นมาว่าทําไมเราถึงช่วยพ่อไม่ได้พ่อต้องดีพ่อต้องอยู่กับเรานา น, านแม่ต้องอยู่กับเรานา น, านเนี่ยก็โทรมนัทพอโทรมนัทแปลว่าการุณาหลุดแล้วไม่ใช่กรุณาแท้แล้วเป็นกรุณาเทียมแปลว่าตอนนั้นนะคุณตกจากธรรมะคือกรุณาแล้วตกจากธรรมะคือกรุณาวิธีการทําอย่างไรอําดับแรกใช้ปัญญามาสอบสวนมาตรวจตาว่าเออตอนนี้หลุดแล้วหลุดจากกรุณาจิตแล้ว ก็ต้องผักให้กรุณาเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่ามีปัญญาไปรู้ว่าเข้าใจว่าโทมนัตความน้อยเนื้อต่าใจความไม่สบายใจความหมงุดหงิดจากการที่พ่ออาการพ่อไม่ดีขึ้นอาการของแม่อาการบุคคลอันเป็นที่รักไม่ดีขึ้นเนี่ยถ้าทำโทมนัตที่เกิดขึ้นแปลว่าเราหลุดจากพระธรรมเมื่อหลุดจากกพระธรรม ในขณะที่เราปฏิบัติพ่อด้วยกายก็ดีได้ ว, วาจาด้วยการประพฤติประโยชน์กับท่านก็ดีอย่างนั้นชื่อว่าไม่ประพฤติธรรมเพราะไม่มีกรุณาเป็นตัวผลักดันขับเคลื่อนกระแสชีวิตกรุณาหล่นไปจากชีวิตแล้วเหลือแต่อะไรเหลือแต่โทมนัทอโทมานัทนี่เป็นลูกน้องของใครเป็นลูกน้องของโทสะเป็นกลุ่มของโทสะ น้อยเนื้อตามใจเราช่วยพ่อไม่ได้เราแย่จริงๆพ่อต้องอยู่กับเรานานๆทำไมอาการของพ่อถึงเป็นอย่างนี้มันก็เคอลาพันไปกลายเป็นปริเทวะเหลุด ล, ลอยเลื่อนลอยเล ย, ดยเดี๋ยวนี้นี่แปลว่าอะไรแปลว่าในขณะนั้นคุณไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วตกจากธรรมะคือการุณาแล้วถ้าช่วยไม่ได้ต้องปรับโหมดการปฏิบัติ อาการพ่อก็แย่ลงอาการพ่อก็แย่ลงจะอยู่ที่กรุณาไม่ได้จะมานั่งแทนที่กรลณาไม่ได้ต้องปรับทันทีนะความรู้ความเข้าใจต้องปรับไปอยู่หมวดไหนหมวดอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าอะไรแปลว่าการวางใจเป็นกลางวางใจเป็นกลางคืออะไรการวางใจเป็นกลางก็คือว่าในอันที่จะดำรงอยู่ในธรรมะตามที่พิจารณาเห็นได้ด้วยปัญญา ก็คือมีจิตที่เรียบตรงเที่ยงธรรมดุดตาชูไม่เอยงเอียงด้วยรักและชังไม่มีฉันทากติลำเอียงผลักเกิดขึ้นไม่มีโทสาคติก็กลัวหรือโกรธหรือพยาคติกลัวหรือโมหคติไม่ได้พิจารณาไม่ปล่อยให้อากติธรรมเกิดขึ้นไม่ลำเอียงด้วยรักและชังไม่เอียงด้วยรักและชังพิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลาย ก็ทำแล้วอันควรได้รับผลดีและผลชั่วสมควรแก่เหตุปัจจัยทีนี้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าเมื่อวางใจเป็นกลางปุ๊บก็มองถึงสัพพาสังขารทั้งหลายว่ามันไม่เที่ยงแบบนี้มันเบียดเบียนเป็นทุกข์อย่างนี้มันแปรปรวนอย่างนี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้เราได้ทําหน้าที่ของความเป็นลูกเต็มที่แล้วหนาะนั้นการที่พ่อ อาการของพ่อเป็นต้นอาการของแม่เป็นต้นซดลงเนี่ยอันนี้เป็นไปตามธรรมดาของกฎความจริงธรรมชาติเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเก็บเก็บไข้เป็นธรรมดาและเราก็ต้องประสบเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเราทำำํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องจะต้องรับผลของการกระทําแม่พ่อก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ว่ากระแสชีวิตของพ่อเลยแม้กระแสชีวิตของเราก็ต้องตกอยู่ในกฎธรรมดาเช่นนี้เหมือนกันการที่มีปัญญาไปวิจัยแยกแยะแล้วางใจเที่ยงตรงเสถียรมั่นคงไม่ทําให้ความรักและความชังเกิดขึ้นหรือความชอบใจและไม่ชอบใจเกิดขึ้นวางใจเสมอดุดตราชูพิจารณาหมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมที่หมู่สัตว์ทั้งหลายได้ทําไว้เป็นต้น ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามาปรับอยู่ในโหมดของอุเบกขาทีนี้อุเบกขาก็คือเพ่งดูเพ่งดูด้วยปัญญาเพ่งดูด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจการที่เพ่งดูด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจในลักษณะนี้แสดงว่าตัวอุเบกขาก็มาผักแล้วก็ปฏิบัติก็เลยเป็นปฏิบัติในโหมดไหนดีถ้าเป็นปฏิบัติที่บอกว่าเป็นเป็นในหมดของการให้ด้วยเมตตาการให้ ด้วยการุณาหรือการให้ด้วยมุทิตาหรือการปฏิบัติการพูดด้วยเมตตาการุณาวมตตาไม่ใช่แล้วพราะในหมวดของเวขาก็ไปอยู่ในหมวดของสมานะตตาเป็นการวางตนให้เหมาะสมใช่เสมอต้นเสมอปลายเสมอในสุขเสมอในทุกขรก์ร่วมสุขร่วมทุกข์คำว่าร่วมสุขร่วมทุกข์ก็คือพ่อทุกข์เราก็ขวนขวายร่วมแก้ไขไม่ใช่พ่อพ่อทุกข์กายใช่ไม เราก็ต้องขวนขวาให้พ่อว่าใจต้องไม่ทุกข์กายป่วยใจต้องไม่ป่วยกายเป็นทุกข์ใจต้องไม่ทุกข์เพราะตามธรรมดาของกระแสชีวิตมันก็ต้องเป็นไปในลักษณะอย่างนี้แหละพ่อก็รู้รพระธรรมเราก็รู้พระธรรมร่วมสุขร่วมทุกข์ก็คือว่าเมื่อเจอปัญหาประสบปัญหาพอประสบปัญหาปุ๊บเนี่ยก็เลยเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาเขาเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมทุกข์ ร่วมกันในการที่จะจัดการในการที่จะฝ่าฟันให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดไม่เลือกที่รักผักที่ชังลในการปฏิบัติให้ดีที่สุดโดยชนิดที่ว่ามีความเข้าใจมีการวางใจที่ถูกต้องดีงามอย่างนี้เป็นต้นสิ่งต่างๆตรงนี้เดี๋ยวจะเข้าไปดูในหมวดของสังหาวัตถุอันนี้ต้องการเชื่อไม่เห็นว่าในกรณีนี้เมตตาเกิดขึ้นทาให้เกิดยังไงกรุณาเกิดขึ้นมุทิตาและเวขาเกิดขึ้น เมื่อวานก็ได้กล่าวไว้พอสมควรแต่ตอนนี้จะยกตัวอย่างจะยกตัวอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลในสมัยครั้งพุทธกาลมีอุบาสกท่านหนึ่งถ้าโยมยังจํากันได้ดีท่านในฐานะได้ศึกษาคําสอนมีอุบาสกท่านหนึ่งเป็นบุคคลที่พระบรมศาสดาทรงยกย่องว่าเป็นบุคคลที่ใช้ธรรมะคือสังฆวัตถุเนี่ยคือทานปิยาวาจาอัาิยาสมาณตา ต, าตาได้ดีที่สุดชํานาญที่สุด แล้วก็ทันต่อสถานการณ์ต่อบุคคลปฏิบัติได้คล่องแคล่วว่องไวที่สุดท่านผู้นั้นชื่อว่าหัตถกะอละวะาวกะอุบาศกยมเคยได้ยินไว้แล้วหัตถกะอละวะาวกะอุบาศกเล่าแบบย่อะะ ๆ, ๆท่านเป็นลาดชุกุมารในของพระราชาในเมืองอาราวีเมืองอาราวีเนี่ยพระราชานี่พระราชานี่เป็นคนชอบสุพระราชาเองเชอบเข้าป่าล่าสัตว์ ก็เไป็นประจำอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งก็เข้าป่าลาัซ์ได้เนื้อมาแล้วก็หาก็เดินเดินมาถุอพลาดกับข้ากับสมุนกับกับกับลูกน้องกับกับบรรดาทหารอาวุก็เลยไปนั่งอยู่ใต้ต้นไทรไอ้ต้นไทรต้นนี้มีอมนุษย์เขาเรียกว่ายักษ์อารวะกายักษ์ยมเคยสวดบทพาหงไหมบทพาหงอ่ะบทที่สองพาหงสารสมัดพินิมก็ แล้วก็บทในบทที่สองมาราติเลกามาพิยุทธกิตสัพพารติงในบทนี้อราระระวะกะยักษ์เนี่ยเป็นยักษ์ที่ได้รับพรจากออจากทเทเวสุวรรณเทเวสุวรรณนี่เป็นพระราช า, ย, ายักษ์อยู่ในชั้นจาตุมเยอะคือเทเวสุวรรณบอกว่าบอกอราระรวะกะยักษ์เนี่ยห้ามห้ามไปเที่ยวจับมนุษย์ทั่วไปนนเนี่ยกินยกเว้นถ้ามนุษย์ท่านใดเนี่ยเข้ามาในเขตแอเรียในเออในพื้นที่ของเถอเ เธอสามารถจับกินได้เขาเรียกให้พรก็คืออนุญาตเอออล้วว่ากยักษ์เนี่ยเป็นยักษ์ระดับแนวหน้าเป็นระดับยักษ์เสนาบดีถ้าพูดปัจจุบันก็คือเป็นระดับรัฐมนตรีเยอเป็นระดับรัฐมนตรีใช่ไหมคือในเดี๋ยวเล่านิดหนึ่งเดี๋ยวยอมจะได้เข้าใจในในจารตมหาราชิกาในจารตมหาราชิกาจะมีพระเจ้าเป็นดินอยู่4ท่าน ก็มีเท้าวิรุณปกักท้าวิรุณวุรุณปากเออเท้ากเวยก็คือเท้าไอสุวรรณเป็นตน้นอะไรเนีเ้เป็นตน้นคือเอาที่นี่ว่าก็คือว่าเขาจะประชุมกันทุกประมาณกึ่งเดือนไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นย8วันหรือกึ่งเดือนเอามาจําไม่ได้เพราะเรื่องนี้ดูมานานเลยแต่ก็นั่นแหละประชุมกันก็เหมือนคณะรัฐมนตรีเนี่ยประชุมกันเดือนละครั้งสงครั้งนี่เหมือนกันกล่มยากเข้าไปประชุมกัน ในบรรดากลุ่มยักษ์ที่ไปประชุมกันก็มีพวกเหมวัตยักษ์สาตาคีริยักษ์ย้อนพอจําได้ไหมอาจจะจไม่ได้เล่านิดนึงย่อมอาจจะจำไม่ได้ <laughs> เหมาวัตยักษ์ก็คือสาตาคีริยักษ์เนี่ยเป็นยักษ์เป็นระดับเสนาบดีเหมือนกันยักษ์สองตนเนี่ยตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมจักกระบวัฒนสูตรที่ไปสิบพัฒนนบุรคติยวันแขวงเมืองปา ร, ราณสีในคราวในครั้งนั้นน่ะเหมาวัตยักษ์เนี่ย ได้ยักษ์เนี่ยสองเพื่อนเนี่ยยักษ์ตนหนึ่งไปเฝ้าพระเจ้าเพราะได้ยินแผ่นดินสะเดือนสะท้านหวัน่นไหวแล้วเคยนัดหมายกันไว้ว่ายักษ์สตนเนี่ยถ้าใครไปฟังได้สิ่งของดีๆแล้วให้บอกแก่กันไปไปมามาก็ยักษ์อีกท่านหนึ่งรู้ไปเฝ้าพระเจ้าเขาชะเง้อมองหาเพื่อนเพื่อนก็ไม่มาหายัางไงก็ไม่เจอเออหาไงก็ไม่เจอก็เลยฟังทำได้วยใจว้าวุ่นตอนนั้นเลยไม่ได้บรรลุนะ ตอนที่ท่านเขาบรรลุกันเยอะแยะหมดตอนที่พระเจ้าแสดงธรรมาจากกัปวัฒนสูตรเนี่ยพร้อมบรรลุทั้งสิบปดกดใช่ไหมหลังแสดงจบเนี่ยทเทวดาไม่นับกระแปล เ, เยอะเยอะมากแต่ว่ายักษ์ท่านเนี้ย เ, เหมเหมมาวัาทยักษ์หรือสตาตาคริยักษ์หรือเหมมาวัาทยักษ์นี่แหละนะที่ไม่ได้บรรลุก็นึกถึงเพื่อนก็เลยรีบหาะไปตามเพื่อนส่วนเพื่อนที่อยู่บนเทือกเขาเนี่ยนะ เทือกเขาก็เห็นภูเขาเนี่ยสว่างรุ่งเรืองเป็นสีเงินสีทองดอกไม้บานสะพั่งก็ตกใจก็รีบห่อมาตามเพื่อนอยากให้เพื่อนไปดูก็เลยพระจะเอะกันเจอกันตรงกรุงราชครืเนยอยู่บนสวรรค์ก็เลยสนทนาคุณกองพระเจ้ากันในระหว่างที่สนทนาอยู่นั้นตอนนั้นนางกาลีตอนดึกๆ เ, เนี่ยเปิดหน้าต่างมาเอ๊เสียงไขสนทนากัน <laughs> ก็เลยมาตอนนั้นตัเองตั้งท้องใกล้จะคลอดแล้ว พอเปิดหน้าต่างมาเข็นยักษ์ทั้งคู่กําลังสนนาพุทธคุณอ้างคุณพระพุทเจ้าพระธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้เรื่องไงเป็นต้นเหล่านี้ยเธอก็น้อมใจฟังพระธรรมนั่นแหละจิตใจก็เลยสามารถข่มนิวรธรรมได้สงบราบคาบได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ใกล้ครอดนี่แหละแล้วอยู่ต่อมาแล้วก็ยักษ์ทั้งสองตนก็พูดเรื่องอริยสัจใช่ไหมท่านก็ท่านฟังท่านฟังทงี่ธรรมจักได้ท่านก็เอามาเล่า สรุปเอามาเล่านี่ยแหละเล่ารงอริยาศาสตร์เธอก็เลยฟังอริยาศาสตร์เลยได้บรรลุบรรลุตั้งแต่ตั้งท้องนะั่นและต่อมาก็คลอดเนี่ยนี่แหละยักษ์ต่อมายักษ์สองท่านกลับไปที่หลังพระเจ้าแสดงจบแล้วนี่ก็เลยก็ไปถามปัญหาพระเจ้าพเจ้าตอบปัญหาในอารวกสูตรเออไ ม, ไม่ใช่อยู่ในเหมวาสูตรนะพอ ส, สนทนาเสร็จพวกก็เลยได้บรรลุกับทั้งครูสรุปและท่านได้บรรลุแล้ว นนไม่เล่าประวัติแต่นี่แหละยักษ์ทั้งสองท่านนี่แหละไปประชุมกันที่สมาคมของยักษ์ไปประชุมกันก็ไปเจออาลวะกตยักษ์ซึ่งเป็นเสนาบดีไปประชมุมแต่ในวันนั้นน่ะที่ยักษ์สองท่านจะไปประชุมเนี่ยก็เหาะไปเหาะไปเพื่อจะไปประชุมที่สมาคมของยักษ์ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภานยเลยจะไปประชุมนี่แหละทีนี้ ในวันนั้นเนะี่ยพระเจ้าอยู่ตรงเชตวันนะแล้วเกิดมีอรารวะกยักษ์เนี่ยเข้ามาในข่ายพยานแล้วก็ราชไอลูกของพระเจ้าเปดินในเมืองอรารวีก็เข้ามาในข่ายพยานต่อไปจะได้บรรลุนี่นะโดยเฉพาะอรารวะกยักษ์พระองค์เห็นอย่างนั้นแล้วก็เลยไปไปที่อยู่ของยักษ์เนี่ยพอไปถึงตอนนั้นยักษ์ไม่อยู่ยักษ์ไปประชุมแต่คนเฝ้าอยู่บริวารอยู่ใช่ไหมเปิดเป็นเป็นเหมือนเมืองของเขา ยักษ์ท่าเนี้เป็นเหมือนบริวารเขาก็เป็นเหมือนเป็นเสนาบดีก็คือว่ามีบริวารเพียบเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเจ้านายไปไประชุมไม่อยู่พระเจ้าก็เลยไปถามกลุ่มที่ออมนุษย์หรือเทวดากลุ่มยักษ์ที่เฝ้าอ่ะที่เป็นลูกน้องของอาระวะาจยักษ์เนี่ยบอกว่าตาถาคตขอเข้าไปข้างในในวิมนี้ได้ไหมก็บอกว่าได้ได้พระเจ้าข่าอพอเข้าไปเสร็จปุ๊บ ก็เลยงั้นดาถากขอนั่งที่เนี่ยบาลังเนี่ยบาลังของอาวะกยักษ์เนี่ยได้ไหมบอกโอ้ข้าพระเจ้าไม่หวงเลยแต่กลัวเหลือเกินอลราวาจยักษ์เนี่ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็พระเจ้าบอกไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่ถ้าเธออนุญาตน่ยนั่งได้นี่ก็เลยนั่งประทับเข้าสมาบัติตรงนั้ น, นอ่ะตอนนี้ตัวไฟไฟ เหมวัาตายักษ์กระสาตาคิริย์าาหอมาพอห่ะมาแล้วมาที่ตรงนั้นอ่ะข้ามไม่ได้เพราะอนุภาพพระริยาเวลาประทับที่ไหนเนี่ยยันพรมโลกใครจะห่อไม่ได้ใครจะข้ามไปไม่ได้เนะเครื่องบินบินผ่านไม่ได้ข <c oughs> อไอ้อะไรก็มองไปเอาพระริ้าก็รีบลงมาฟังทำกบับบางคมทูลพระริยาโอ้ยมาตอนนั้นตัวเองเป็นพระโสดาบันกันแล้วใช่ไหมมากราบ กราบแล้วก็ฟังทำอยู่พระเจ้าระยะหนึ่งบอกข้าพระองค์ฟังนานไม่ได้เขาถูกเรียกประชุมต้องขอเข้าไปไประชุมก่อนติดภา ร, รกิจก <c oughs> ็ไปไปไ ป, ไประชุมพระเจ้าก็ไปว่าเลย <c oughs> พอไปถึงที่ประชุมเสร็จปุ๊บไอตัวที่อมันพวกยักษ์ที่เป็นลูกน้องเขาอาราวกยักษ์รีบไปบอกเจ้านายรีบรีบไปบอกที่สมาคมยักษ์ไปบอกว่าท่านอาราวากยักษ์พระพุทธเจ้าพระสมัมมาสัมพุทธ ตอนนี้ประทับอยู่ที่อยู่ของท่านอู้หูพอพูดแค่นั้นเครื่องโกรธขึ้นมาบอกเงียบเงียบเงียบเดี๋ยวพูดดังเ <laughs> <laughs> พราะอายเขาไงระดับนั่งโอ้โหมีคนไปนั่งที่ประทับตนเองโกรธมากส่วนสาตากริยักและเหมมาว่าตยักษ์ก็เลยบอกว่าได้ยินบอกว่าเป็นบุญยราบของท่านแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยมาประทับ อยู่หน้าที่อยู่ของท่านเนี่ยโอ้โหท่านได้ดีแล้วเนาะเป็นโชคของท่านเป็นลาภขอท่านแล้วพระเจ้าเป็นพระทหารเป็นต้นให้เจนนี้ความโกรธครอบงำเพราะลูกน้องว่าบอกก่อนนี่ไม่ฟังแล้วจะเป็นพระทหารก็ไม่สนใจจะเป็นสามมาสัมพุทธะก็ไม่สนใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานไม่สนใจทั้งนั้นไม่ฟังแล้วก็บอกว่าจะต้องไปจัดการพระพุทธเจ้าเนี่ยให้รู้จักทติว่าตัวเองเป็นใคร <laughs> ยักษ์ทั้งสองตนก็บอกว่าอุ้ยโลแล้ว บอกว่าประกาศกว่าก็จะต้องไปสู้กับพระเจ้าส่วนเพื่อนที่เป็นเสนาบดีด้วยกันที่ไปเห ม, มว่าตายักษ์สาตาคียะก็ห้ามบอกไม่ไปคิดอะไรอย่างงั้นคิดกับใครก็คิดไปไปคิดว่าพระเจ้าเป็นาศาสดาเอกของโลกนะว่างั้นเถ อ, อะทีนี้พอพอเป็นในลักษณะอย่างนี้แล้วทีนี้ก็เจ้าเหมไอเจ้า อลวะวากยักษนี่ก็ใช้เท้าเหยียบบนยอดเขาพัง โ, โ, โกรธมากแตกออกเป็นเสียงแล้วก็ไปเลยทีนี้ก็ตอนนี้ใช้ฤทธิ์ของตนเองพอไปถึงไปถึงพระเจ้าไมาย่ยอมออกจากที่ประทับทีเขา ท, ที่ที่นั่งตนเองบันหลังตนเองก็ใช้ฤทธิ์ใช้อานุภาพเลยต่อสู้ใช้ฝนบ้างใช้หลุมใช้อะไรต่งางๆเยอะแยะหมดเลยที่จะทําลายให้พรนะเจ้าเนี่ยออกใช้ลมพายุ โอ้โหแม้แต่จีวรทั้งนิดก็ไม่ปรีวเลยนพี <c oughs> พระเจ้าก็นั่งสงบนิ่งเล่นซะโอ้ยักเล่นทุกอย่างหมดหมดฤทธิ์หมดเดชแล้วพอหมดฤทธิ์เดชแล้วพระเจ้าก็ใช้ภาษาพยุัญานตรวจ ด, ดูความคิดของยักษ์ตลอดว่าตอนนี้โกรธจัดยังไงถ้าโกรธขนาดเนี้แสดงฤทธิ์โกรธโกรธโกรธโกรธแล้วจะคิดประทุษร้ายเทศยังไงไม่ฟังล้อคนโกรธ ยอมลงทําความโกรธเกิดขึ้นทําความโหมดหีได้เกิดขึ้นในขณะนี้ mm. ก็ยัง mm. ไม่สามารถที่จะฟังทีนี้พอหลังจะแพ้ลาบคาบไม่รู้จะทำยังไงแล้ว mm. ก็เลยพูดบอกว่า mm. พุทธเจ้าก็เลยพูดดีๆพูดแบบอ่อนโยนบอกว่าเออต้องการอะไรพุทธเจ้าตอบต้องการแลยเจ้ายักษ์ก็เลยบอกว่าต้องการให้ออกไปออกไปจากบาลังเนี่ยพุทธเจ้าบอกอ๋อพูดดีๆก็แค่นี้ พระเจ้าก็เลยออกวักไปแล้วก็นึกในใจว่าอยากทดลองดูนี่ให้ออกไปเอาให้กลับเข้ามาก็กลับเข้ามาเนี่ยก็เนึกอยากอยากอยากแกล้งพระเจ้าอ่ะให้ออกพระเจ้าก็เดินออกให้กลับเข้ามาออก็กลับเข้ามาให้ออกก็กลับออกให้กลับเข้ามาออก็ทําอยู่อย่างเนี้ยพระเจ้าก็สังเกตความคิดเรืเ่อยๆล้วเข้านึกเข้าใจก็รู้สึกโอ้โห มาณะก็หมดแล้วใช่ไหมมาณะเริ่มโอ้ท่านบุนี้เป็นแบบนี้เป็นคนที่มั่นคงจิตใจดุดตาชูเป็นคนมีขันติมีความอดกลั้นเราประทุสส้ายใช้ฤทธิ์ใช้แรงต่างๆไม่สะเทือนไม่สะทานไม่หวั่นไหวเลยยังผิวหน้าผ่องใสสีผิวผ่องใสเปล่งและมีโหในใจก็เริ่มคลายเริ่มคลายก็เลยให้พระเจ้ากลับมานั่ง ใจพอเริ่มมานะปัญหามานะที่ถีบเสร็จแล้วก็เลยถามปัญหาพระพุทธเจ้าปัญหาที่ถามเนี่ยเป็นปัญหาที่เคยถามพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วท่านก็จดบันทึกปัญหาไว้จดบันทึกปัญหาไว้ที่นี้แต่คําตอบไม่มีมีแต่คำถามนิดยักษ์ก็เลยเอาปัญหามีถามเนี่ยแต่ว่ามีในปัญหานั้นนะถามเรื่องศรัทธาว่ากันเถอะ อะไรเป็นทซั์เครื่องปลื้มใหญ่เป็นต้นอะไระพุทธเจ้าก็บอกว่าศรัทธานี่ตอบแบบสรุปประเด็นนะพูดเรื่องศรัท ธ, ธาคือความเชื่อมั่นในบรรดาทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยซับที่ประเสริฐรัพย์ที่เลิอ ท, ที่สุดเนี่ยไม่มีอะไรเกินอริยรัพย์คือศรัท ธ, ธาดังนั้นถ้าใครมีศรัทธาคือความเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยเชื่อมั่นในพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เชื่อมั่นในกุศลความดีถ้ามีศรัทธาแล้วแปลว่าเป็นได้ทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดเพราะอะไรรู้ไหม พอได้ศรัทธาแล้วก็จะสามารถแสวงหาอริยทรัพย์ได้เยอะโดยเฉพาะอริยทรัพย์คือสีอริยทรัพย์คือสมาธิอริยทรัพย์คือปัญญาได้อริยทรัพย์คือสติสัมโพชฌงค์นั้นคนคนต้องการจะเก็บทรัพย์คือสติสัมโพชฌงค์องค์การตัศลุคือสติเนี่ยต้องมีศรัทธาธรรมวิรยะสัมโพชฌงค์องค์การตัศลุคือปัญญาวิริยะสัมโพชฌงค์องค์การตัศลุคือความแกล้าหาญปีติสัมโพชฌงค์องค์การตัศลุคือความปื้มใจในธรรมะ ปัตสัตย์สัมโพชงองค์การตัดสุคือความสงบสมาธิสัมโพชงองค์การตัดสู้คือความตั้งมั่นแห่งจิตและอุเปรคาสัมโพชง์องแห่งการตัดสู้คือการวางใจเป็นกลางในสภาวะสังขารทั้งหลายหรือในในสัตว์และสภาวะสังขารทั้งหลายเป็นต้นฉะนั้นการที่จะได้อริยทรัพย์คือโพชงเป็นต้นเนี่ยถ้าคนไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเก็บอริยทรัพย์เหล่านั้นมาประชุมในกระแสชีวิตได้ฉะนั้นทรัพย์คือศรัทธาประดุดดังมือคนไม่มีศรัทธาคน มือขาดมือด้วนก็ไม่สามารถเก็บทรัพย์ในพระศสราสนาของพระชินเจ้าเป็นต้นได้อู้ยากตื่นเต้นใหญ่ชื่นใจว่าเราจะต้องทําสุดท้ายเกิดขึ้นในตอนนี้ได้ชื่นใจแล้วพระเจ้าเลยถามปัญหาที่ถามบอกว่าเราจะข้ามโอคะได้อย่างไรเราจะข้ามอ น, นบได้อย่างไรร่วงทุกได้อย่างพ้นทุกได้อย่างไรบริสุทธิ์ได้ด้วยอย่างไรเป็นต้นพระเจ้าก็เลยบอกว่า สัตทายะอารติโอคางบอกบุคคลจกข้ามโอค่าได้ด้วยความด้วยศรัทธาก็คือความเชื่อมันการโอค่าพระโวค่าที่โถค่าวิโชคะโอค่าคือกามคือการหมกบุ่นในกามก็คือกิเลสโอค่าคือความเห็นผิดโอค่าคือการติดแน่นในภพโอค่าคือความหลงความโง่เนี่ยถามว่าเราจะข้ามโอค่าทั้งสีนี้ได้ด้วยอะไรก็คือได้ด้วยศรัทธาใช่ไหม พอมีความเชื่อมั่นแล้วเราก็ไปเก็บเอาอริยทรัพย์มีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยพอได้อริยทรัพย์มาแล้วเราก็จะสามารถข้ามการโอคาโอคาคือกามเป็นต้นได้โดยเฉพาะก็คือว่าพระโวคาโอคาคือพบเนี่ยในการมาพบรูปมาพบอารมณ์พบทั้งหลายอะไนี้จะข้ามได้ก็มีศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้ถึงจะข้ามห้วงน้ําที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายเป็นต้นได้แล้วก็บอกว่าอัปมาเทนะอนนาวัง บุคคลจะข้ามอันนบได้ด้วยด้วยสติด้วยความไม่ประมาทฉะนั้นอันอนอบเนี่ยนะอันอนอบเนี่ยก็หมายความว่าเป็นเหมือนสาครก็คือมหาสมุทรสังสารวัตรการเวียนว่ายตายเกิดคนที่จะข้าม อ, นอันนบหรือจะข้ามการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องมีสติ ไอ ų, Cette, ้คำว่าม te yani ีสติสติจะต้องไปบริบูรณ์ที่สติปฐานสี่นะถ้าไม่บริบูรณ์ที่สติปฐานสี่ก็ขั้นอนต์อมนออนตอมนตไม่อน้ได้ฉะนั้นก็คือห่วงน้ำหรือว่าสังสารวัตเนี่ยงั้นการมีกายานุปัสนาสติปฐานเวทนาจิตาและธรรมามีสติที่ํำกับอยู่กับตัวในการกาหนด ในการที่จริงสติอย่างเดียวไม่ใช่ก็ต้องตัวอื่นด้วยแต่นี่แหละขับเน้นที่ตัวสติฉะนั้นการที่จะข้ามอันอ น, นอบได้ก็คือห่วงน้ำเป็นต้นได้เนี่ยโดยเฉพาะก็คือจะไม่กลับจะไม่กลับมาเวียนว่ายใจเกิดในสังสารวัฏเป็นต้นก็คือคือสติแล้วก็วิเยนทุกขธรรเจติบุคคลจะร่วงทุกได้ก็ด้วยความเพีย ความเพียรจะสมบูรณ์ที่ไหนในสัมมาประธานเพียรในการที่จะละ บ, บาปกล่าวบาปใหม่ตั้งแต่ได้กล่าวไว้แล้วแล้วก็ปัญญายาบริสุทธิ์ติบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้ปัญญาก็คือปัญญาก็คือแทงตลอดในอริยสัจสีสรุปก็คือในเรื่องนี้ถ้าศรัทธาจริงๆบริบูรณ์น่โสตาปริยงังฆธรรมกันไหมศรัทธาสินสุตาจาระและปัญญาอันนั้นเคยขยายไว้แล้วเดี๋ยวรายละเอียดว่าอีกทีส่วนว่าจะข้ามอนบได้ด้วยความไม่ประมาท ก, ก็คือสติในสติประธาน4ี่ จะร่วงทุกได้ด้วยความเพียรก็คือเพียรในสมมประธานทั้งสจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาคือปัญญาที่แทงตลอดอริยสัจ ส, สีคือทุกสมุทัยนิโรธมากเป็นต้นเพราะกล่าวสรุปลงอย่างนี้อา ว, วัายากยักษ์ก็เลยได้เป็นพระโสดาบันทีนี้อาลยากยักษ์เนี่ยมีสนธิสัญญา ก, กันกับพระราชาในเมืองอาราวี คือพระราชาในเมืองอาราวีที่บอกว่าไปกล้าสัตว์แล้วมานั่งพักที่ใต้ต้นไม้เลยมาอยู่ในขอบในอยู่ในแอเรียอยู่ในพื้นที่ของอาราวกยักษ์อราวกยักษ์ ก, ก็จะจับกินพระราชาก็ขอขอโอกาสขอชีวิตบอกว่าตนเองเป็นพระราชาสามารถส่งคนมามาให้ท่านกินได้วันละคนละคนก็เลยรับทางนั้นบอกว่าอาราวกยักษ์ก็บอกงานทําสัญญาเซ็น MOU ไว้เซ็นเรียบร้อยเลยต่นี้พอเซ็นสัญญาเสร็จ ป, ปุ๊บแต่นี้เอาแล้ว ตั้งแต่นั้นก็พระราชาก็ไปบอกแกอามาดอามาก็บอกไม่เป็นไรแล้วแล้วก็นักโทษมันมีนักโทษประหารเยอะก็เลยนักโทษประหารส่งมาให้ทีละคนละคนละคนะคนักเข้านักเข้าโอ้โหเรื่องมันดังไปคนก็ไม่อยากจะเป็นโจรกันแล้วดใ น, ในในในเรือนจําว่างเลยไม่มีพวกก็เลยไปเอาคนใกล้ตายเอาไปคนรักขโมอยเอาพระราชาแกลเอาเงินไปวางไว้ตามที่ต่างๆให้คนรักก็จับคนลักไปฆ่าฆ่าในส่วนจริงทําทุกวิถีทางจนคนพากันนักเข้านักเข้าแล้เอาเด็ก เอาเด็กคนก็พ า, เ, าเด็กหนีหนีไปไปมาก็เหลือลูกชายตัวเองอย่างนี้โอ้นี่ก็นี่แหละนนเนี่ยกุมารเนี่ยกุมารน้อยเป็นลูกชายที่เกิดใหม่ๆนี่แหละอืีก็เลยเอาลูกชายเนี่ยเอามาให้ในในวันนั้นที่วันพุทธจามาแสดงทำโปรดอลรวาจยักษ์เป็นพระโสดาบันเนี่ยแล้วกลุ่มพอสว่างพอดีพอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอามาตก็เลยเอาเด็กเอาลูกชายของพระเจ้าเวดินมาให้ พระอ้มมาให้มาถึงเพิบว่าเอามาให้แกยักษ์ไอ้ยักษ์ก็อายมากตรงนั้นเป็นพระโสดาบันไม่ฆ่าสัตว์แล้วและอายมากนั่งก้มหน้านิ่งอายพระเจ้าด้วยว่าโ อ, โอตนเองเนี่ยเป็นคนชั่วแท้ฆ่าคนมาเยอะแยะกินสัตว์เป็นมาเยอะแยะหมดแล้วอยงนั้นเถอะพระเจ้าก็บอกว่ารับด้วยสิก็เลยต้องจำใจรับมารับมาเสร็จก็เลยบอกข้าพระองค์เนี่ย เป็นสาวกของพระเจ้าแล้วเป็นอุบาสกที่ถึงพระธาตนาไตรแล้วเว้นจากการฆ่าเป็นต้นแล้วขอมอบเด็กนี้ถวายพระเจ้าก็เลยยกเด็กเนี่ยถวายพระเจ้าพระเจ้าเลยมอบให้อลาวกยักษ์อีกข้างหนึง่งอลาวกยักษ์ก็เลยส่งคืนให้ครูครูมารเ <c oughs> ด็กคนนี้ก็เลยชื่อว่าหัตถกะอลาวะก่อุบาสกเนีต่อมาหัตถะหัตถกะอลาวะกกุมารก็คืออยู่ในมือของอลาวกยักษ์ อารวาคยักษ์ก็ส่งถวายให้พระเจ้าเอยเด็กคนนี้พระเจ้าได้อุ้มด้วยเนี่ยแล้วก็พระเจ้าก็ส่งให้อารวายักวาคยักษ์ก็ส่งกลับให้กับอามาก็เลยได้รับตั้งแต่นั้นมาก็ยักตัว น, นี้ก็ไม่ฆ่าสัตว์แล้วมั่นคงในศีลแล้วพระเจ้าไปบินธบาตก็บอกงั้นให้อารวากยักไปด้วยถือบาทเป็นลูกศิษย์อารวกากยักก็บอกโหไม่ไปแล้วกลัวก้อนดินท่อนไม้เขาจะคว้างเอา ฆ่าคนไปเยอะพระเจ้าออกไม่เป็นไรล็อกไปพระุทธเจ้าปลอดภัยก็เล่นไปเนี่ยก็เกิดภาวะร่มเย็นทีนี้พูดถึงเด็กเพราเด็กนี้โตขึ้นฟังธรรมอยู่พระพุทธเจ้าหัทธกาละกกาเนี่ยพอฟังธรรมอยู่พระพุทธเจ้าปุ๊บได้บรรลุโอ้โหไม่ได้ได้มร์เดียวได้สมมร์เลยได้เป็นพระพานาคาโอ้โหแต่เป็นเป็นอุบาสกเนี่ยครั้งละได้เป็นพระโสดาบานันต่อมากรสกาทาแล้วก็เป็นพระนาคามีบริวารห้าร้อย ในบริวาร500คนเนี่ยเป็นเป็นบริวารห0าท่านและมีแต่คนรักพระพุทธเจ้ายกย่องว่าหัตถกะอรรวากะอุบาสกเป็นคนที่ฉลาดในการเดินสังขาวัตถุ 4. ทานปิยาวาจาอัตเจริยาสมานตตาตามากเพราะหัตถกะอราวากะอุบาสกเนี่ยเป็นคนที่ประชุมพมวิหารสี่ เป็นธรรมะไว้ในหลักใจเอาเอาเอาธรรมะอันประเสริฐธรรมะที่ควรมีไว้เป็นหลักใจนี่แหละแล้วลมากำกับพฤติกรรมเวลาผาาออกมาเป็นสังขาวัตถุมีอยู่ข้างหนึ่งพระเจ้าถามหัตถะอรหกอว บ, บาศขบอกว่าเธอประพฤติสังขาวัตถุอย่างไรท่านก็รายงานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์พูเจะเลยข้าพระองค์เป็นผู้ที่ มีความมีปัญญาในอันที่จะตรวจดูบุคคลคืออามค่าพระองค์เนี่ยเป็นคนที่ไม่มองความต้องการของคนที่อยู่ด้วยเห็นความต้องการของคนที่อยู่ด้วยและฉลาดในความต้องการของคนที่อยู่ด้วยไม่ได้เอาความต้องการของตนเองเป็นที่ตั้งเลยใช้ปัญญาเข้ามาวิจัยแยกแยะเวลาอยู่กับบรรดาบริวารทั้งหลายเหล่านี้ก็จะรู้เลยว่าบริวารคนเนี้ย มีความต้องการอะไรถ้าต้องการให้ข่าพระองค์ปฏิบัติในพฤติกรรมอย่างนี้ข้าพระองค์ก็ทำให้ต้องการอาหารอย่างนี้ก็จัดการให้ต้องการที่อยู่ก็จัดการให้เครื่องดืมหอมยาก็จัดการให้หรือต้องการอยากจะให้ข้าพระองค์ส่งเคาะได้คําพูดได้พระธรรมได้คําสอนข้าพระองค์ก็พูดเนี่ยถ้ารู้ว่าในภาวะปกติเนี่ยก็พูดได้เมตตาถ้าในภาวะนี้ผิดปกติเข้าประสบปัญหาชีวิตก็พูดด้วยกรุณา เขาประสบความสําเร็จในชีวิตก็พูดแบบส่งเสริมถ้าเขาปรารถนาอยากจะให้ร่วมสุขร่วมทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้จะวางตนเป็นกลางข้าพระองค์ก็ใช้สมานนต์ตาวางตนเสมอต้นเสมอปลายเส ม, อ, สมอในสุขในทุกข์ไม่เลือกที่รักผักที่จังเอาตนเองเข้าไปร่วมไปเชื่อมประสาน ร, ร่วมแก้ไขปัญหาถ้าพระองค์สามารถมองและก็ปฏิบัติได้อย่างทันท่วงทีทันสานการ์เพราะอะไรเพราะข้าพระองค์ เป็นผู้ชาเป็นผู้มีความเข้าใจในการเดินพลมิหารไว้ในใจแล้วผลักออกมาเป็นสังหาวัตถุได้ปฏิบัติได้ในชีวิตจริงบริวารของพระองค์ไปที่ไหน5600้อยเต็มไปหมดและทุกคนรักแล้วก็ชื่นชมเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเห็นพบอ่านสถานการณ์ออกแล้วใช้ธรรมะได้ถูกต้องท่า น, น, นท่านทุวงทีต่อสถานการณ์ไม่เคยไม่เคยไม่เคยทําผิดพลาดเลยไม่ใช่ว่า เจอในสถานการณ์นั้นแล้วมึนปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติธรรมะไม่ถูกหลักแล้วก็เจนผ่านมาแล้วแม้ทาน่าจะทำอย่างนั้นน่าจะทำจะไม่มีเลยนี่เป็นทีนี้ท่านพวกนี้ตั้งอัธยาศัยไว้ว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าองค์ก่อนไปเห็นอุบาสกที่ชำนาญในเรื่องนี้เกลเลยตั้งจิตปรารถนาว่าตนเองจะบ่มเพาะฝึกฝึกในการที่ตนเองอยากจะเข้าถึง สังฆาวัตถุให้ชัดและใช้สังฆาวัตถุให้ถูกต้องตรงตามสถานการณ์และบุคคลในแต่และกรณีในะสถานที่และบุคคลนั้นๆเดินพรหมวิหารที่ถูกต้องกับบุคคลต่อสถานที่และในกรณีนั้นนั้นตัวเองตั้งอธิยาใส่ไว้ให้มาในปัจจุบันนี้ยืนแคล้วคล่องชำนาญมากนี่เป็นอุบาสกชั้นเยี่ยมในการที่เป็นแบบอย่างเป็นเนติเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดแต่เราไม่เคยจะหยิบยกประวัติของท่านเหล่านี้มา ม า, มาวิจัยกันจริ ง, รงๆว่าเออเนี่ยในสถานการณ์อย่างนี้เราควรจะมั่นคงในพรหมวิหารผักออามาเป็นสังขาวัตถุยังไงเป็นต้นเหล่านี้อันนี้ก็เลยยกตัวอย่างตรงนี้มาชี้ให้ยอมทั้งหลายได้เกิดความรู้และเข้าใจว่ากรณีที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยที่จะประพฤติปฏิบัตินะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ตัวสังขาวัตถุก็คือว่าการให้ปันพูดให้รัก ทำประโยชน์เอาตัวเข้าสมานเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสสาหรับสังคมทั่วไปก็คือสําหรับเครือหัาชุมชนชาวบ้านประชาชนเพื่ออยู่ดีกินดีสมัครสมานสามคัคคีตัดแล้วก็ตัดหลักสารานิยธรรมสำหรับสังฆาสาหรับพระภิก ษ, ษุสงฆ์เมตตากายกรรมเมตตาวจิกกรรมเมตตามโนกรรมสาธานาโภกีสีรสามัญญาตาและทิฏฐิสามัญญาตาก็ทําอะไรก็ทำได้เมตตาพูดก็พูดด้เมตตาแล้วก็คิดก็คิดได้เมตตา แล้วก็ส่งค้อกันด้วยเมตตาเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็ประพฤติศีลร่วมกันแล้วก็มีปัญญาคือสมถติที่เป็นไปในการในการรู้ในการเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นประเด็นอยู่ตรงว่าอันนั้นสำหรับพระทีนี้หลักการที่จะพูดในวันนี้พูดในเรื่องของสังขาวัตถุตัวสังหาวัตถุเนี่ยที่พูดถึงในเรื่องของครว่า สังถ้าประพฤติสารานิยธรรมอันนั้นสําหรับชุมชนของอริยะของสังฆะให้สังเกตดูตอนท้ายที่บอกว่าอันทําให้ระลึกถึงกันทําให้เป็นที่รักทําให้เป็นที่เคารพสังฆาญาตก็คือเป็นไปเพื่อสังคฆะเป็นไปเพื่อไม่วิวาทกันเป็นไปเพื่อสามัคคีกัน เป็นไปเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกั น, เ ป, น, เ, ก เ, ปนเป็นเอกภาพเป็นเอกภาพเป็นสามะคัคคีสังฆาวัตถุ ก, ก็อันเดียวกันวัตถุประสงค์ก็คือเมื่อมีพระมวิหารใช้ในถูกต้องแล้วเนี่ยเวลาผักออกมาเป็นการประพฤติสังฆาหก็คือหลักการส่งเคราะห์หลักการเชื่อมประสานทานก็คือการให้การแจกจ่ายแบ่งปันเอือเอ้อเอื้อเพื่อเผื่อแผ่จัดสรรให้มีกินมีใช้ทั่วถึงกันเนี่ยทาน ออหัตถกะและว่ากาอุบาสกเนี่ยเป็นคนที่ให้ให้เนี่ยการแบ่งปันเนี่ยวาระไหนถ้าเป็นยามปกติให้ด้วยเมตตาท่านให้ถ้าเกิดบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องประสบปัญหาชีวิตก็ให้ด้วยกรุณาถ้าต้องการเห็นท่านผู้นั้นน่ะได้ดีบได้ดีประสบความสําเร็จในชีวิตก็ให้ด้วยมุทิตาเห็นไหมเนี่ยได้สาแล้วนะให้ด้วยเมตตาให้ด้วยกรุณาให้ด้วยมุทิตาหลักการให้ เป็นทานเนี่ยนั้นเราจะให้ทานแล้วจะแบ่งปันทั้งหลายเนี่ยให้ด้วยเมตตก็ได้ให้ด้วยกรุณาก็ได้ให้ด้วยมุทิตาก็ได้นี่หลักการส่งข้อหลักการเชื่อมประสานหลักการที่จะยึดโยงน้ําใจกันเป็นต้นทีนี้ประการต่อมาคือด้านวาจาวาจิวิจาก็พูดจาน่ารักมีถ้อยคําที่สุภาพปรารถนาดีมีวาจาที่ที่พูดดีพูด พูดคำจริงพูดคาที่เป็นประโยชน์นี่แหละพูดถูกกาลและพูดด้วยเมตตาในยามปกติแล้วก็พูดด้วยกรุณาในยามที่เขาเจอปัญหาชีวิตพูดเอยให้กําลังใจแนะนำประโยชน์อะไรก็ว่าไปแล้วก็ในยามที่เขาประสบความสำเร็จก็พูดด้วยมุทิตาเห็น ไ, ไหมสรุปแล้วได้ทางทางการกระทำา3ทางวาจา3เป็น6แล้วนะ นีการประพฤติประโยชน์อัธยจริยาการบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยทำประโยชน์ช่วยด้วยเรี่ยวแรงหรือด้วยกําลังความรู้ความสามารถดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่คนและชุมชนแก่ประชาชนเป็นต้นการกระทําประโยชน์เนี่ยในยามที่ชุมชนประชาชนทั้งหลายเหล่านี้เขาปกติหรือบุคคลทั่วไปที่เราเกี่ยวกับเขปกตินี่ก็ไปประพฤติประโยชน์ด้เมตตา ถ้ายามที่ตกต่ํามีปัญหาอย่างที่ว่าโหยทั้งโรคไร้แลบาดฝุ่นอันนี้ก็ประพฤติประโยชน์ต่อชุมชนนั้นด้วยกรูนาในยามที่เขาได้ดีมีประสบความสําเร็จในชีวิตก็ประพฤติประโยชน์ด้วยมุทิตาคือคอยินดีด้วยสรุปแล้วก็คือทางกาย3ทางวาจา3ทางการประพฤติประโยชน์อีก3เป็นเท่าไหร่เป็น9สถานนะเป็น9สถานนะฉะนั้นภัก เก้าสถานะเนี่ยออกมาให้ได้จริงส่วนสมานตตาเนี่ยมีตนเสมอสมานเสมอกันในธรรมะสมานกันในธรรมะทั้งเข้าถึงแล้วก็เข้าร่วมกันเป็นต้นลนล้แยกเป็นยังไงสมานะอัตตาคืออะไรมีตัวเสมอกันเท่ากันเข้ากันเสมอภาคแล้วก็สมานกันนี่เป็นสมานะอัตตา ส่วนคว่าสมานกิจสมานกิจก็คือร่วมงานร่วมกิจการรมทำเท่ากันทำตามกำลังแล้วก็ทำให้เข้ากันนี่สมานกิจแล้วก็สมานะสุขขากขาตาก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมทุกข์คื อ, อยังไงมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมตานเคยได้ยินคำนี้ไหม ก็คือร่วมกันแก้ไขปัญหานั่นเองบปต้นทีนี้ในข้อ4เนี่ยทำด้วยใจที่มีอุเบกขาที่ถือไปตามธรรมะโดยมี3ข้อแรกเนะี่ยมุ่งข้อแรกนะั้นมุ่งเพื่อเพื่อคนประกอบตามนี้ก็คือเห็นว่าสังฆวัตถุ น, นี่แหละเป็นธรรมะภาคปฏิบัติการไม่ใช่เป็นการปฏิบัติอย่างเลื่อนลอยเรื่อนเปื้อนไม่ใช่เลย ทีนี้ถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้การที่เราจะเสมอภาคหรือว่าเสมอสมานสําคัญก็อยู่ตรงที่ว่าตัวสังคาวัตถุนี้เป็นธรรมภาคปฏิบัติการแล้วก็นํามาชี้เชื่อมโยงเพื่อจะได้เป็นคุณสมบัติมาจากตัวพรหมวิหารเมื่อพรหมวิหารเนี่ยประชมในใจปุ๊บแล้วก็ผักออกมาเป็นการกระทําอย่างยกตัวอย่างเช่นทานการให้ปันการแบ่งปัน ถ้าเป็นการพูดก็พูดในการที่จะช่วยเหลือหรือช่วยเหลือกันและกันในด้านวัตถุทรัพย์สินเงินทองก็คือช่วยเหลือสิ่งของเปิเตอรเหล่านี้ที่ถ้ามองอย่างนี้ก็คือถ้าทานก็คือการให้ปีญาวาจาการกล่าววาจาหน้ารักก็คืออัธยจริยก็คือการเพเพื่ประโยชน์ก็ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าอย่างละ3อย่างละ3ก็เลยเป็น9ส่วนสมาณาตตาเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะได้เห็นได้ชัดว่า ไอตัวเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยทำการประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่สู้จะยากเท่าไหร่ถ้าเราทำได้จริงนแต่คำว่าสมานัตตานี่แหละไอการเอาตนเองเข้าไปเสมอสมานนี่แหละไอตัวเนี้ยยากเพราะจะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนในกรณีที่จะทำให้เราเนี่ย สามารถที่วางตนเองเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายเสมอในสุขเสมอในทุกและก็ไม่เลือกที่รักผักที่ชังฉะนั้นตัวสมานัตตาเนี่ยมันถูกยึดโยงมาจากการที่เจริญอุเบกขาได้จริงแล้วพอเจริญอุเบกขาได้จริงปุ๊บตัวอุเบกขามากำกับแล้วจึงสามารถมีปัญญาสอดส่องไปวางตนเองให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่อบุคคล และถ้าไม่มีตัวสมาณาตาเข้ามาเชื่อมประสานแล้วเนี่ยในที่สุดจริงๆก็ไม่สามารถที่จะทำให้สังคมมนุษย์นั้นะ เ, เชื่อมประสานกันได้ไม่เป็นเอกภาพไม่เป็นเอกภาพไม่เป็นสามาคัคคีนั่นตัวนี้จึงสำคัญที่สุดเช่ดการให้กันมีของก็ให้เงี้ยให้โดยใจรักอย่างเงี้ยให้ด้วยเกิดเมตตาก็ให้เกิดการุณาก็ให้เกิดพอยดีก็ให้ ถ้าเป็นไปแค่นี้แปลว่าอะไรรู้ไหมบางทีเนี่ยก็เลยไม่มีตัวธรรมะที่เป็นตัวอุเบกขามาคอยดุลไว้ก็เลยไม่รักษาหลักการรักใครมากก็ให้คนนั้นกระดุณาใครมากก็ให้กนนั้นพอยินดีกับใครมากเมื่อก็เอียงกระเทเล่หมดเลยเนี่ยฉะนั้นจึงต้องมีธรรมะประเภทที่ตัวอุเบกขามาคอยดุลไว้เพื่อจะได้เป็นการประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปได้ถูกต้องดีงามอย่างนี้เป็นต้นสรุปตรงนี้ จริงๆถ้ามีใครอยากจะเขียนปัญหามาถามก็ได้เนี่ยจะได้ตอบให้ตรงประเด็นว่าใครยังไม่เข้าใจในประเด็นไหนนยหรืออาจจะถามออกมาเลยก็ได้ทีนี้ประเด็นตรงนี้ก่อนสิ่งที่ต้องการอยากจะให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้เกิดความเข้าใจนะตรงนี้ก็คืออย่างนี้ในกรณีที่การ จะเอื้อเฟื่อการที่เราดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่นอามาต้องการอยากจะขับเน้นในพวกเราทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจก็คือว่าทําอย่างไรที่เราจะสามารถทําพรหมวิหารธรรมให้เกิดขึ้นได้จริง <c oughs> ไอ้ตรงนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเนาะ <c oughs> เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ผ่านมามันจะเป็นธรรมะจะเป็นเมตตาปลอมๆกรุณามุติตาเบิขาปลอมๆ สังเกตดูนะเมตตาเทียมมันเป็นยังไงถ้าเมตตาเทียมมันจะกลายเป็นตัณหามันจะรักกับคนที่เราเป็นพ่อเราแม่เราพี่น้องเรารักได้แต่คนอื่นเราก็เฉยนี่ชัดเลยอันนี้แปลว่าเมตตาไม่ได้เกิดจริงเพราะไม่เคยแผ่เมตตารักตัวเองอยังไงจนสามารถทำตัวเองให้มั่นคงในศีลมั่นคงในสมาธิมั่นคงในปัญญาเพราะความรักตนรักแท้เกิดขึ้น เพราะรักตนเองรักกระแสชีวิตนี้แท้ๆแล้วเนี่ยก็ปรารถนากระแสชีวิตตัว น, นี้ดำรงอยู่ในธรรมะคือเมตตาใช่ไหมพอใจรักเกิดขึ้นมาแท้ๆตัวชันท่าเนี่ยก็เลยปรารถนาว่าถ้าเราไม่สามารถทำเมตตาให้ประชมในกระแสชีวิตได้กระแสชีวิตนี้เราก็วิบัติแน่นอนนั้นถ้าถ้าหากว่าไม่ทำเมตตาให้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเสียหายอย่างแน่นอน พอรู้และเข้าใจอย่างนี้พอเกิดใจรักขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาพวกก็ผักเมตตาให้เกิดขึ้นจริงๆแล้วถ้าหากในมีใจรักอย่างเดียวไม่พอนะั้นมีความกล้าหาญด้วยพยุงผักดันทําให้เมตตาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็จิตจดจ่ดจอยตรงนี้มีความเข้าใจอย่างยิ่งนะว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ไม่สามารถเข้าถึงเมตตาหรือไม่มีเมตตาเป็นหลักใจไว้กํากับพฤติกรรมแล้วสัตว์เดือดร้อนมาก จะโดนโทสะโจมตีอย่างมากมายแล้วที่สุดจริงๆก็พอโทสะโจมตีก็หลับเป็นทุกข์นะตื่นเป็นทุกข์ฝันร้ายเป็นต้นแต่ถ้าเดินเมตตาได้เจริญเมตตาได้สามารถทําให้เมตตาเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็สงบระ ง, งับพยาบาทได้จริงแล้วเพราะการที่มีปัญญาในการที่จะวิจัยแยกแยะทําให้เมตตาเกิดขึ้นมาก็จะได้อานิสงส์ก็คือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์ ไฟสัตายาพิโรคร้ายก็จะไม่เบียดเบีน้นสีหน้าผ่องใสสมาธิตั้งมั่นเร็วไม่เป็นอัลไซเมอร์เนาะไม่หลงตายแล้วก็ไปสุคติทีนี้ให้สังเกตดูว่าไอ้คุณธรรมคือเมตตาเป็นต้นที่ได้กล่าวเนี่ยถ้ามาประชมไว้ในกระแสชีวิตปุ๊บเนี่ยที่เห็นได้ชัดก็คือธรรมะจะคุ้มครองเราเพราะเราเนี่ยปฏิบัติในธรรมะ ถ้าเมตตาเกิดขึ้นในกระแสะชีวิตเป็นต้นอยู่ตลอดคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเหมือนเราไปกลางแดดกลางฝนแล้วก็มีฉัดมีร่มเป็นตัวกั้นอยู่เราก็ไม่หนาวเราก็ไม่ร้อนเราก็ไม่เปียกฝนแม้ชั้นใดเวลาเมตตาเป็นต้นอโทสาก็คือความไม่โกรธเกิดขึ้นสภาพเมตตาจิตเกิดขึ้นในกระแสะชีวิตปุ๊บแล้วเวลาพฤติกรรมในการกระทําในคําพูดหรือการประพฤติประโยชน์การผลั ก, กออกมานี่ก็มีคุณธรรมคือเมตตาเป็นกั้นกากับและขับเคลื่อนอยู่ก็แปลว่าปลอดภัยแล้ว โรคร้ายไม่เบียดเบียนอุปสรรคพัชชาทั้งหลายภายในทั้งหลายก็จะไม่บั่นทอนกระแสชีวิตเป็นผู้มีจิตเข้าถึงเมตตาได้อย่างแท้จริงถ้าเข้าถึงได้เมตตาได้อย่างแท้จริงแปลว่าตอนนั้นน่ยแปลว่าเราชํานาญในเมตตามากทีนี้ไม่ใช่ชํานาญแค่นั้นดังที่ได้กล่าวว่าควรใช้เมตตาในบุคคลใดสถานการณ์ใดใช้ถูกแล้วก็จะไม่ใช้เมตตาเพื่อเพื่อนะหรือว่าแม้ใช้แต่เมตตา ตบี้ตบันไม่ใช่เลยก็ใช้ถูกการถูกเวลาเป็นต้นด้วยเช่นยามปกติทำเมตตาออกขึ้นในใจแล้วก็ผักก็เป็นการกระทําเป็นต้นแล้วในกระแสชีวิตนั้นก็ตรงทีนี้สถานการณ์เปลี่ยนเช่นสถานการณ์แย่ลงเช่นปัญหาชีวิตที่เราไปเจอหรือหมู่สัตว์ทั้งหลายประสบปัญหาประสบความทุกข์เปลี่ยนสถานการณ์จากเมตตาเป็นกรุณามีอันที่จิตใจหวั่นไหวทนดูไม่ได้ ในกรณีที่จะไปปลดเปลื้องปัญหาความทุกข์และอุปสรรคให้เขาทีนี้แม้แต่ไม่ใช่การุณาคนอื่นเป็นการุณาตนเองเป็นด้วยถามว่าคิดยังไงให้การุณาเกิดถ้าคิดให้การุณาเกิดจะถามว่าเรายังมีกิเลสเกลือกลัวอยู่เรายังจมอยู่ในสังสารวัฏใช่ไหม ฉันเราก็เป็นผู้น่ากรุณาก็กรุณาตนเองว่าเราจะทํากรุณาตนเองให้เกิดขึ้นรักเป็นกรุณาตนเองจริงๆปรารถนาตนเองให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์จริงๆพอพอมีความรู้สึกตนเองว่าตนเองยังไม่ตั้งมั่นในศีลยังไม่มั่นคงในศีลสมาธิปัญญาเลยนะตนเองถูกกิเลสจมตีเป็นระยะระยะตลอดรู้กรุณาตนเองนะเกิดกรุณาตนเองขวนขวายในการที่จะทําให้ตนเองพ้นจากปัญหาและอุปสรรคพ้นจากกิเลสเหล่านี้ได้ ก็เอาตนเองที้ตั้งมั่นในกรุณาจิตให้เกิดขึ้นทีเป็นต้นและเห็นหมู่สารทั้งหลายประสบปัญหาชีวิตทั้งด้านของรูปธรรมและนามธรรมหรือกระแสวิถทั้งส่วนของรูปและนามและเราก็ขวนขวายในการที่ปลดเปื้องความทุกข์ให้แก่เขาไปทําประโยชน์ให้แก่เขาและก็พูดให้กําลังใจเขาให้เขาได้มีกําลังใจพูดปลอบโยนเขาให้ออกจากปัญหาและอุปสรรคและความทุกข์เป็นต้นแล้วก็ทําประโยชน์ด้วยด้วยกรุณาอย่างนี้และกรุณาให้สังเกตอย่างนี้ว่าเราจะไม่ทํากรุณาเทียมให้เกิดขึ้น จะแทนกรุนาแท้เมื่อกรุนาเกิดขึ้นแล้วถ้าขวนขวายช่วยเหลือแล้วแต่สถานการณ์มันไม่ดีขึ้นแต่เราก็ยังสุขใจในกรณีที่เราไม่ทำให้ใจเรากระแสวิตหลุดจากกรุณาเลยนี่ก็ทากรุนาให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วสามารถจะปรับโหมดอปรับเปลี่ยนธรรมะสลับถ้าไปเจอคนที่เขาได้ดีมีสุขถึงแม้คนคนนั้นเนี่ยคนคนนั้นเขาจะไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้อง แต่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตบางคนก็เฉยเมยก่อนอันนี้อัเนี้ยลักษณะนี้แปลว่าใช้ธรรมะผิดเหมือนกรณีที่ไปขับรถสถานการณ์ขับรถควรจะเร่งประมาณ60 80หรือ90หรือ100เนี่ยแต่เราก็ไปขับ20บ้างหรือเกินกว่าเหตุบ้างอันนี้เขาเรียกใช้ผิดสถานการณ์ในยามที่ไปเจอบุคคลที่เขาประสบได้ดีมีสุข แทนที่เราจะต้องรีบทันทีมีใจรักในการที่จะผักใจรักทําให้มุทิตาจิตเกิดขึ้นกําจัดฤทิษยากยกจัดความอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้เกิดขึ้นด้ยให้มุทิตาพลอยยินดีแล้วก็พูดด้วยด้วยมุทิตากระทาด้วยพุทิตาพระพฤติยวได้มุทิตาเป็นต้นให้เกิดขึ้นก็กลับไปเฉยเมย อ, อย่างนี้เราแปลว่าเราปฏิบัติผิดฉะนั้นก็ต้องทำมุทิตาให้เกิดขึ้นและทันท่วงทีต่อสถานการณ์อย่างนี้เป็นต้น ทนในยามวาระที่เราจะต้องรักษาธรรมะรักษาสิ่งที่ถูกต้องดีงามทั้งหลายเหล่านี้มันจะมี2 ส, ส่วนส่วนที่เป็นกฎเกณฑ์กติกาของสังคมการในส่วนที่เป็นไปกับในลักษณะที่ว่ากฎธรรมชาติเช่นทุกคนเกิดแก่เจ็บตายหรือทุกคนจะต้องเจอกรรมให้ผลทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นหลนี้เป็นไปตามกรรมของตนเองทํากรรมดีไว้กรรมไม่ดีไว้ทั้งหลายนี้ก็ต้องรับผลการการะทําก็ต้อง ไปพิจารณาในสองหลักนี้ให้ชัดเราจะได้วางใจเป็นกลางตัวสัตว์และสังขารทั้งหลายให้ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นมีใครถามปัญหาไหม <c oughs> ไม่มีโนอะ้ oh, วันนี้ฟังกันไม่มีใครสงสัยอะไรเลยดีไอ้ตรงเนี้ยมาก็เลยชี้แจงให้เห็นว่าเออประกานาอยากให้สังคมไทยและพวกเราทั้งหลายเอาพรหมวิหารไปปฏิบัติได้จริงเนะ เพราะถ้าเราไม่สามารถทำพรหมวิหารให้เกิดขึ้นในใจได้แล้วก็กากับออกมาเป็นสังฆวัตถุหรือถ้าเป็นพระสงฆ์ไม่สามารถผักออกมาเป็นสารานิยธรรมได้แปลว่าเราล้มเหลวกระแสชีวิตนั้นล้มเหลวไม่มีการปฏิบัติธรรมมากจริงถ้าเราไม่สามารถทำพรหมวิหารให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตได้ นิวรธรรมก้มรุมเมตตากรุณาเมตตาและเวขาไม่เกิดขึ้นได้จริงแล้วขับเคลื่อนออกมาเป็นพฤติกรรมคำพูดหรือการการะทำเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้ตัวตัวสังขาวัตถุขับเคลื่อนออกมาได้จริงแปลว่าที่เราท่านทั้งหลายพูดกันว่าปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมเนี่ยไม่จริงการปฏิบัติธรรมหรือการประพฤติธรรมก็คือการเอาธรรมะมาเกิดขึ้นมาใช้ให้ได้จริงมาประชุมในกระแสชีวิต แล้วต้องให้ถูกจังหวะถูกบุคคลถูกสถานการณ์ด้วยในวาระใดที่เราจะต้องใช้เมตตาก็ต้องใช้เมตตาถ้าสถานการณ์นั้นเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนหมวดมองการปฏิบัติเช่นมันเป็นสถานการณ์ย่ำแย่ก็ใช้กรุณาสถานการณ์ที่มันดีขึ้นก็ใช้มุทิตาสถานการณ์ที่จะต้องรักษาธรรมะรักษากฎเกณฑ์กติกาก็ต้องใช้อุเบกขาในการผลักหรือขับเคลื่อนออกมามาเป็นหลักของสังขาวตัตถุ ถ้าเราไปตรงนี้ต้องเอาไปฝึกให้เกิดได้จริงห้องปฏิบัติธรรมของพวกเราไม่ใช่แคบอยู่แค่คอร์สหรือจัดลีทจัดคอร์สเป็นค่างค่างคราวคาวห้องปฏิบัติของธรรมะของพุทธบริษัทต้องเปิดกว้างจนถึงกับทั้งโลกนีแปลว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมะได้ในทุย่ยที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อเช่นเราจะเข้าห้องน้ำหรือเราจะอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ปฏิบัติ เขาธรรมะได้อยู่กับลูกก็ปฏิบัติธรรมะได้อยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่ป้าหน้าอาอยู่กับลูกน้องอยู่กับเจ้านายอยู่กับผู้บังคับบัญชาอยู่กับใต้ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดถึงในการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งกินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสวะในการดําเนินชีวิตทํากิจกรรมของตนเองทุกๆอย่างต้องเอาธรรมะมาขับเคลื่อนได้และให้ถูกต้องตามสถานการณ์นั้นๆ จึงจะเรียกว่าเป็นไปได้ดีและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีง่ะจึงเรียกว่าเป็นพวกประพฤติ ธ, ธรรมเราถูกจำกับในการปฏิบัติธรรมว่าอยู่ในวัดออกจากวัดก็ไม่ใช่โอ้โหแต่ก่อนเอามาก็เชื่อแบบนี้ซึ้งตอนบวชใหม่ๆวิ่งหาวัดเอาไปวัดนี้ก็ไม่ใช่วัดนี้ก็ไม่ใช่วิ่งจะทั่วประเทศเพราะเราไปเข้าใจว่าธรรมะต้องอยู่ในวัดที่ไหนได้ธรรมะมันต้องเอามาประชมุมในกระแสะชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะพรหมิหารเนมตตากรุณาเมตตาและอุเบกขาต้องมาเป็นธรรมะอันประเสริฐธรรมะประจําใจอันประเสริฐธรรมะที่ควรมีไว้เป็นหลักใจและได้กํากับพฤติกรรมเพื่อจะให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์หมดจดและจะได้เป็นการปฏิบัติต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปโดยชอบฉะนั้นทําไม่สามารถกํากับได้และเอามากํากับไม่ใช่กำกับแบบทื่ๆเหมือนการขับรถนะ่ยจะเหยียบ60ตลอดเวลาไม่ใช่หรือการ ถนนมันลื่นเป็นยังไงถนนที่มันขุกขรายังไงหรือการจะลงน้ำมันต้องเปลี่ยนจากรถเป็นเรือจะขึ้นไปทางอากาศต้องเปลี่ยนจากรถเรือเป็นเครื่องบินเป็นต้นฉะนั้นคนที่ชาญฉลาดในการประพฤติธรรมก็จะต้องเป็นคนปรับเปลี่ยนเป็นไปตามสถานการณ์ก็เหมือนอย่างนี้โมเวลาโยมไปงานศพโยมก็ใส่ชุดดำอยู่ไทไมไม่ใส่ชุดแดง ไปงานแต่งไปงานบวชไปงานกินเลี้ยงยอมยมฉลาดในการแต่งตัวกันมากเลยนั้นต่อไปเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นยอมต้องชาญฉลาดโดยชอบปัญญาต้องสอบสวนตรวจตราว่าเราจะใช้ธรรมะหมวดไหนข้อใดในการดำเนินชีวิตในแต่ละขณะในตแต่ในสถานการณ์นั้นๆแล้วต้องเรียนรู้เรื่องพระวิหารให้ชัดเพราะพระวิหารสาคัญมาก ถามว่าทําไมสังคมเอาประเทศไทยเราทําไมแปลกแยกหนึ่งแปลกแยกกับธรรมชาติดังที่บอกไว้แล้วเราเป็นศัตรูกับธรรมชาตินะเราทำรํำลายธรรมชาติกันจนธรรมชาติเนี่ยจนจนจะเฮี้ยนเกลียนหมดแล้วเนี่ยอันนี้แปลว่าเนี่ยเราขาดธรรมะประจําใจอันประเสริฐเราขาดธรรมะเราขาดความเข้าใจทั้งๆ ท, ท, ที่มนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติแต่เราเบียดเบียนธรรมชาติและอยู่กับธรรมชาติไม่เป็น ปฏิบั ต, ติธรรมชาติไม่เป็นแล้แปลกแยกเรียบร้อยแล้วสายลมแสงแดดต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ําลำคลองทั้งหลายแล้วไม่มีความสุขกับการไปอยู่แล้วเราก็มาหาห้องเล็กๆต่างๆมันโลกกระทัดมาสร้างโลกของตอนเองมามันหลบอยู่กันอย่างนี้สอที่หนักไปกว่า น, นั้นแปลกแยกกับเพื่อนมนุษย์อันนี้หนักเลยเราใช้ปวมิหารไม่ถูกต้องตามสถานการณ์วาลัที่ควรใช้เมตตาวาลาัที่ควรใช้กรุณาวาลัที่ควรใช้มุทิตาและอุเบกขาแล้วก็ใช้ไม่ถูก แล้วผักออกมาเป็นเป็นสารข า, าวัตถุไม่ได้เลยอายกตัวอย่างเช่นคนบางคนโอ้ไปวัดไปวาชอบไปวัดไปวาสวดมนต์ไปต่างๆเป็นคนดีของพระกลับมาบ้านโอ้โหขัดแยง้งว่าไปถึงวัดก็ไปเล่าให้พระฟังในบ้านไม่มีใครประพฤติทำเลยเขาอยู่กันเปห้าคนหกคนไม่มีใครประพฤติทำมียอมประพฤติอยู่คนเดียวมีแต่คนบาปว่างั้นอยู่ในบ้านเนี่ยอีกกรณีแบบนี้ อันนี้บองบอกว่าผิดปกติแล้วแล้วอีกอย่างนึ่งพอไปอยู่ในวัดก็แปลกแยกเข้ากันไม่ได้ขัดแย้งกันอะไรต่างๆเหล่านี้บองบอกเห็นชัดว่าใช้พรหมหารไม่เป็นเลยเอาเข้าจริงเนี่ยมันได้แค่ท่องและวที่น่ากลัวที่สุดก็คือเราจะแผ่เมตตากันเฉพาะสวดมนต์เสร็จสวดมนต์เสร็จก็สัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเอาเวลาเป็นต้นเหล่านี้จงเป็นสุกเป็นสุกเถิด จะได้มีเว้แก่กันแล้วกันแล้วก็สวดกันอย่างเงี้ยไอ้คนที่สวดเนี่ยเป็นคนที่เครียดมากที่สุดงดกิดเก่งที่สุดนี่มันมันผิดพลาดแบบนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ปฏิบททัติธรรมคาว่าปฏิบททัติธรรมดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่ามาจากคาว่าปฏิปทาปฏิปทางมัชชิมาแปลว่าวกลางมัชชิม า, า, าปฏิปทาก็คือทางสายกลางก็คือดําเนินชีวิตเนี่ยดำเนินชีวิตหลักการดําเนินชีวิตก็คือเมื่อมี เมตตาเกิดขึ้นแล้วใช้ในสถานการณ์ที่ถูกต้องในยามปกติเ็าเรียกว่าดำเนินชีวิตทางสายกลางไม่เอียงไม่เอเียงแต่ในยามที่ผิดปกติเช่นเขากำลังประสบปัญหาชีวิตแล้วก็ไปเดินเมตตาย่างแปลว่าไม่เป็นมัชฌิมาเพราะเราเดินผิดตัวธรรมะแทนที่จะใช้กรุณาแต่ไปใช้เมตตาเนี่ยเออไปใช้ไปไปใช้เมตตานี่ผิดจังหวะที่หนักไปกว่านั้นหนักไปกว่านั้น นายามเขาป่วยไข้เนี่ยเราไปมุทิตาเขาไปคอยยินดียอมีโยมคนหนึ่งเออพระขอพายพระพระเห็นโยมป่วยรู้จักการพระบวชใหม่ใช้ธรรมะไม่ถูกพอยอมป่วยก็เลยโทรไปฮะโยมจเจริญพรโยมนะถามเป็นยังไงได้ข่าวว่าน้าป่วยใช่ไหมจ้าโยมป่วยเออขอยินดีด้วยนะออขอมุทิตาด้วยนะที่ยอมป่วยโยมก็งง ไอ้โทิตาแปลว่ายินดีใช่ไหมเนี่ยไม่บอกว่าให้ยอมหายเร็วๆขอแสดงมุทิตาด้วยนะนดดยยเนี่ยผิดพลาดใช่ไหมเนี่ยบางทีเราก็แสดงมุทิตากันผิดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าเวลากเกษียณอายุแล้วก็เขียนป้ายว่ามุทิตาส ก, กาละใช่ไหมเกษียณ เ, เนี่ยแปลว่าหมดอํานาจมันสิ้นแล้วแต่เราก็ไปเขียนม่าเออไปควายยินดีกับคนหมดอํานาจ เราชอบเราชอบงานเลี้ยงกันหนแต่อันนั้นก็ว่ากันอาจจะยินดีด้วยที่ไม่งานทำอะไรก็ได้นะแล้วแต่ไปแยกแยะแต่ทั้งหมดเหล่านี้ต้องการชี้ฮิตโยเห็นว่าทำอย่างไรเอาที่ตัวเรานะโยมเนะ้ทุกคนที่มาฟังวันนี้ให้สมาทานตั้งมั่นที่ปรารถนาอยากแกาให้เราเนี่ยให้สมาทานตั้งมั่นว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะให้กระแสชีวิตเนี่ย มีพรหมวิหารธรรมเกิดขึ้นให้ติดต่อและต่อเนื่องและจะเพียรพยายามด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยความชาญฉลาดที่จะใช้พรหมวิหารธรรมนี้ให้ทันต่อสถานการณ์บุคคลเป็นต้นและอีกเนี่ยถ้าตั้งหลักเนี่ยเอามายกตัวอย่าง<ม>อีกเรื่องหนึ่งที่เห็นได้ชัดบางทีเนี่ยเราอยากให้พ่อเมตตาเราอยากให้แม่เมตตาเราอยากให้น้องเมตตาเราอยากให้คนนั้นรักเรา เรามีความต้องการแบบนี้ต้องการให้คนอื่นเมตตาเราดีกับเราปฏิบัติดีกับเราแต่เราไม่เคยมีความคิดว่าเราจะทำตัวเราให้เข้าถึงคุณธรรมคือเมตตากรุณาบุทิตาจริงเอาเรื่องนี้นะเรื่องอาจารย์กับสิทธิ์ยกตัวอย่างใ น, ใ น, ในคาสอนพระพุทธเจ้าจอาจารย์กับสิทธิเนี่ยเป็นนักกายกรรมไอ้นักกายกรรมก็คือไปเล่นกายกรรม ไปให้กับพวกคนเขาดูกันเขาจะใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่มามาค้ำเรื่องที่ก็ตั้งบนหน้าผากบางทีก็ตั้งบนบนบนบนไหลจับไว้แล้วก็ให้ลูกศิษย์ต่อตัวขึ้นไปเดินไต่ลาไม้ไผ่ไปอยู่บนไม้ไผ่นั้นในระหว่างที่กำลังแสดงเพื่อเป็นกายกรรมแสดงให้กับเขาดูอยู่เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าบอกศิษย์ว่านี่เธอเธอจงรักษาฉันไว พยายามรักษาฉันไว้พยายามคุ้มครองและดูแลฉันไว้ส่วนฉันก็จะรักษาเธอเมื่อเธอรักษาฉันฉันรักษาเธอเธอค่อยดูแลค่อยประคับประงงคอยรักษาฉันฉันรักษาเธออย่างนี้ก็จะสามารถแสดงกายกรรมนี้ได้อย่างได้อย่างดีไม่เป็นอันตรายแล้วก็ได้ปลอดภัยแล้วจะสามารถได้ค่าตอบแทนจากการแสดงนี้ด้วยแล้วชีวิตเราก็จะปลอดภัยด้วย ส่วนลูกศิษย์บอกว่าอาจารย์พูดไม่ถูกไม่ถูกแล้วอาจารย์ก็ดูแลรักษาอาจารย์นั่นแหละไว้ให้ดีส่วนผมก็จ ะ, ะดูแลตัวเองรักษาตัวเองให้ดีถ้าทำอย่างนี้เราก็จะสามารถแสดงกายกรรมเนี่ยให้รอดและปลอดภัยให้สวัสดีภาพเป็นไปด้วยความด้วยความงดงามด้วยแล้วก็จะจบลงด้วยดีด้วย แล้วก็จะได้ค่าตอบแทนที่สมได้ค่าตอบแทนแล้วก็ชีวิตเราก็ได้ค่าตอบแทนแทนด้วยถามว่าระหว่างอาจารย์กับสิทธิ์เนี่ยใครใครมีความเห็นผิดหรือหินถูกสิทธิ์นั่นแหละมีความเห็นถูกกรณีเหมือนกันในทางแห่งการปฏิบัติกรณีที่บอกว่าแต่ละคนก็ต้องตั้งสติไว้ให้สติเกิดขึ้นที่ตนเอง ให้ฉันทะเกิดขึ้นที่ตนเองให้เมตตากรุณาเมตตาเป็นต้นเกิดขึ้นในตนเองเมื่อทําเมตตาให้เกิดขึ้นตนเองรักษาตนเองไว้อย่างนี้แล้วเช่นเมตตาเกิดขึ้นกับเรารักตนเองแล้วก็ชื่อว่ารักคนอื่นด้วยเมื่อรักตนเองจึงชื่อว่ารักคนอื่นเมื่อกรุณาตนเองจึงชื่อว่ากรุณาคนอื่นเมื่อมุติตาตนเองจึงชื่อมุติตาคนอื่นเมื่อวางใจเป็นกลางของตนเองได้จึงจะสามารถวางใจคนอื่นด้วยฉะนั้นเราจึงต้องการประพฤติธรำเนี่ย ต้องเพียรพยายามทำธรรมะให้เกิดขึ้นกับตนเองให้ถูกต้องดีงามไม่ต้องไปเรียกร้องให้คนอื่นปฏิบัติธรรมนะเรียกร้องว่าให้แต่ละคนเนี่ยจงขวนขวายในการที่จะประกอบธรรมะให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของตนเองให้ดีแล้วก็พัฒนาให้เป็นไปให้เป็นไปให้ติดต่อและต่อเนื่องและใช้ธรรมะให้ถูกต้องตามสถานการณ์ถ้าธรรมะถ้าทาในลักษณะนี้ได้เนี่ย เป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นการเป็นการที่ปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องดีงามตามแบบอย่างของอริยชนให้สังเกตดูไหมว่าเวลาเราจะเจริญเมตตาทำไมเขาสอนว่าทำไมต้องเจริญเมตตาให้ตนเองก่อนถ้าไม่สามารถทำเมตตาเกิดขึ้นกับตนเองได้งานนี้จบเพ okay, เลยจะไม่สามารถเมตตาคนอื่นได้ ต้องเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งว่าเมตตาแท้ๆกับตนเองเป็นอย่างไรแล้วเวลามีตัณหาแปดปลอมเข้ามาในใจก็จับมันได้ด้วยว่าอนนี้ไม่ใช่เมตตาอันนี้มันเป็นตัณหาเปมะอันนี้มันเป็นตัณหานะอันนี้เป็นราคะอันนี้เป็นโทสะอันนี้เป็นโมหันนี้เป็นอกุศลอันนี้ชั่วรักตนไม่ถูกต้องแล้วรักตนเองให้ถูกต้องก็ต้องทําให้ตนเองเนี่ยดำเนินไปตามศีลสมาธิปัญญามีศรัทธาวิริยเสดิจสมาธิปัญญาเป็นต้นให้เกิดขึ้น ไ ม, ม่มีชันทะในการที่จะทําทําไมะเกิดขึ้นในตนเบ็ดเสร็จปุ๊บแล้วเมื่อทําธรรมะคือเมตตาเป็นต้นเกิดขึ้นในกับตนนะ้วจึงแพ่ไม่ตีจิตที่มีเมตตาอย่างเงี้ยจึงคิดกับคนอื่นเมตตาคนอื่นเป็นคิดที่จะเกื้อกูลคนเองอื่นเป็นคิดจะให้เขามีความสุขได้เป็นแล้ะยิงจะพูดกับเขาได้เมตตาหรือทําเขาได้เมตตาฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยให้สังเกต ด, ดูนะว่าคนโดยทั่วๆไปเนี่ย โดยมากเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้คนอื่นดีเราอยากให้คนอื่นสามารถี้เราอยากจะให้บ้านเมืองหรือชุมชนนั้นนะ่ะกลมเกลียวรักใคร่กันแล้วก็โอ้โหหาวิธีจะสร้างกฎเกณฑ์กติกาโอ้โหเยอะแยะหมดเลยต้องการจะทำแต่ลืมไปว่าธรรมะจริงๆมันเริ่มที่ตนถ้าวันนี้ยมแต่ละท่านที่ฟังสามารถเอาพรหมวิหาร ที่ธรรมะอันประเสริฐธรรมะประจําใจอันประเสริฐธรรมะที่ควรมีไว้เป็นหลักใจแล้วไว้กํากับพฤติกรรมเพื่อจะได้เป็นไปด้วยการประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปด้วยความสะอาด บ, บริสุทธิ์หมดจดและจะได้ปฏิบัติต่อคนและสัตว์ทั้งหลายเป็นไปโดยชอบเนี่ยถ้าสามารถทําให้เกิดได้จริงถือว่าโยมนั้นเป็นผู้ประพฤติธรรมอย่างแท้จริงไม่ต้องไปเขียนป้ายประกาศไม่ต้องไปที่ไหน ก็ชื่อว่าประพฤติธธ ร, รมได้อย่างถูกต้องนะสถานการณ์นั้นนะั้นในที่นั้นนั้นอยู่ตรงที่ว่าโยมต้องฟังให้เข้าใจให้ท่องแท้ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจฟังใหม่ฟังแล้วฟังอีกจนสามารถผักหรือมีผักดันให้เมตตาเกิดขึ้นได้จริงๆเหมือนกรณีที่เวลาเราหลับตาที่เราว่าสุข ก, กายสุขใจปลอดภัยเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยปราถนาให้ตนเองมีความสุข ก, กายสุขใจและปลอดภัย หรืจะบอกว่าอาหังสุกีโตโหมีขอ้อยข้าพเจ้าชมรูปมีความสุขอะไก็แล้วแต่มันไม่ใช่แค่ท่องมันไม่ใช่แค่บริกรรมแต่มันเป็นการผักตัวคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงในกระแสชีวิตถ้าทําให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะแล้วก็ทําให้แข็งแรงขึ้นที่สําคัญที่สุดก็คือบางทีมันทําได้เพียงแค่นิดๆหน่อยๆแล้วมันก็หายเรื่องอันตรธานไปก็ไม่หยุด ฝึกทำให้เกิดขึ้นให้ติดต่อให้ต่อเนื่องใหติดต่อให้ต่อเนื่องจนในที่สุดแข็งแรงถ้าเมตตาเกิดขึ้นก็แปลว่าอะไรราบคาบไอตัวพยาบาทสงบราบคาบเป็นไปอย่างเวลายาวนานนี้แปลว่าคุณสําเร็จแล้วในเรื่องของเมตตาฝึกทําให้เกิดขึ้นติดต่อต่อเนื่องให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยให้ชํานาญมากขึ้นใช้ในสายการถูกต้องมากขึ้นประการต่อมาฝึกกรุณากรุณาให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นจนสามารถทําความ คิดจะเบียดเบียนคนอื่นให้สงบราบคาบได้เวลาเจริญกรุณาก็ใช้ทันต่อสตร์การและเวลาเจริญกรุณาก็ระมัดระวังไม่ให้ทมนัฐเกิดขึ้นเป็นกรุณาแท้เป็นกรุณาที่ที่เป็นไปด้วยความแข็งแรงอย่างแท้จริงแล้วก็ฝึกให้ชํานาญและใช้ต่อศาสตร์การให้ถูกต้องดีงามแล้วฝึกมุทิตาความพลอยยินดีให้เกิดขึ้นมีการอนุโมทนาแม้กับตนเองกับคนอื่นแล้วก็แล้วแต่เนี่ยและกับบุคคลที่รักหรือไม่รักคนที่เป็นศัตรูก็สามารถฝึกได้จริงๆ การุณมุทิตาได้จริงๆพอเย็นดีได้จริงๆจนสามารถทําให้ฤทธิ์สาคือเห็นเขาได้ดีแล้วทนไม่ได้เนี่ยสงบราบคาบแล้วก็ไม่ใช่เป็นมุทิตาจนกลายเป็นสนุกสนานล่าเลิงกลายเป็นอกุศลไปไม่ใช่เลยเป็นมุทิตาแท้เกิดขึ้นทําให้ติดต่อและต่อเนื่องจนสามารถใช้ได้ทันต้องท่องทีต่อสร า, ารก า, ารภาความาเป็นสังขารวัตถุยังไงก็ว่าอีกทีและอุเบกขาที่สำคัญที่สุดวางใจเป็นกลางต่อสัตว์ <Yeah. S 2> แล้วก็พิจารณาหมู่สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมที่เขากระทาสามารถรักษาใจตนเองให้เที่ยงตรงดัดดุดตาชูเป็นต้นได้แล้วก็เป็นใช่เฉยเมยแะเป็นการเฉยมองวิจัยแยกแยะสามารถสงบระงับความชอบใจและไม่ชอบใจขจัดอคติคือลาเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงพเยงพราะหลงไม่รู้เรื่องและลำเอียงเพราะกลัวให้อันตรฐานออกได้จริง จิตใจเที่ยงตรงดุดตาชูมองเห็นหมูสัตว์ทั้งหลายที่ขวนขวายกระทำกรรมดีและไม่ดีก็ต้องรับผลของการกระทำนั้นได้อย่างแท้จริงสามารถฝึกจนติดต่อและต่อเนื่องใช้ในสถานการณ์ที่จะรักษาธรรมะรักษากฎเกณฑ์กติกาเพื่อให้สังคมไม่เอียงไม่บิดเบี้ยวแล้วเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงานทันต่อสถานการณ์สับในการใช้พลวิหารได้อย่างจนชำนิชนานาญได้เมื่อไหร่ ถ้ายมใช้จนคล่องได้อย่างนี้มาหลายแปลว่าโยมเป็นผู้ประพฤติธทมได้อย่างแท้จริงเอามาก็ใช้เวลามาชั่วโมงกว่าไม่มีปัญหาที่จะถามเนาะก็ไม่เป็นไรกล่าวแล้วก็ขอโมทนากับเราท่านทั้งหลายที่ตั้งใจในการฟังพระธรรมหวังอย่างยิ่งว่าเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาฟังในวันนี้จะเข้าใจในการ อ้ามีคาถามหนึ่งอาเชิญเชิญถามได้เออมีคนถามปัญหาว่าบุคคลที่เข้าคอร์สการปฏิบัติธรรมก็จะเข้าใจว่านั่นเป็นการปฏิบัติธรรมเฉพาะได้ในที่ตรงนั้น แต่พอออกจากที่คอนเสาการปฏิบัติธรรมไม่ได้เกิดจริงการเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ทําอย่างไรจะให้ความเข้าใจนี้หมดไปใช่ไหมเริ่มต้นจากตนเองก่อนนะอย่างที่ได้บอกไว้แล้วทําความเข้าใจใเกิดขึ้นในกลุ่มที่เราได้ฟังแล้วเนี่ยก่อนประเด็นมันอยู่อย่างนี้ว่าอย่างที่บอกว่าคําว่าปฏิบัติก็คือเอาธรรมะให้มาเกิดขึ้นธรรมะในระดับไหนเนาะ คำว่าธรรมะ ม, มัน ม, มีระดับศีลระดับสมาธิและระดับปัญญาพูดอย่างยอ่อยคืออย่างนี้ระดับทานระดับศีลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเจาะลงไปอีกหน่อยก็คือระดับสารณาคมเนี่ยระดับสารณาคมคือความเข้าใจในเรื่องสารณาคมประเด็นมันอยู่ตรงว่าความเข้าใจคาว่าปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยคืออะไร คำว่าปฏิบัติธรรมะก็คือเอาธรรมะเอาคุณธรรมทั้งหลายเอาศรัทธาศีลสุตตาาคาปรนดาเรือเอาศีลสมาธิปัญญาเอามาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตได้แล้วทําให้กระแสชีวิตน่ะเป็นไปตามธรรมะให้ธรรมะเป็นตัวกํากับกระแสชีวิตได้จริงเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรมรมภาษาพระเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาการดําเนินชีวิตเป็นไปตามทางสายการเป็นดุญยภาพเป็นสมุตาเป็นเอก เป็นเป็นเป็นหลักความจริงที่ดําเนินไปได้ถูกต้องดีงามที่ธรรมะจะบอกการปฏิบัติมันก็เลยบอกการทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วกับการทําศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญภัยบู์พิญโยภาพยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปในกระแสะชีวิตนั่นเรียกว่าปฏิบัติทีนี้การปฏิบัติทํามันเป็นไปลักษณะอย่างนี้ทีนี้ถ้าสมมติเราไปท่องว่าศีลเจตนาที่งดเว้นจากการฆ่า าการละการเบร์พติผิดในการเราไปท่องได้อย่างนี้ฟังได้อย่างนี้แต่ว่าเราไม่เคยตั้งเจจจํานงให้เกิดขึ้นทีนี้เอาบางทีได้แค่ตั้งเจจจํานงแต่พอเจอสถานการณ์จริงๆก็ไม่สามารถละละจากการเบียดเบียนการคิดปิดทุจร้ายเป็นต้นอันนี้ก็แปลว่าธรรมะ ม, มันเกิดนิดๆหน่อยๆฉะนั้นอย่างที่บอกว่าปัญหาว่าเราจะทำอย่างไร ให้คนเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเริ่มมันเป็นการเอาธรรมะมาใช้ได้จริงแล้วปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่นั่งหลับตาเพราะในขณะที่การเพราะการปฏิบัติธรรมถ้าเป็นแค่นั่งหลับตานีย่ยุ่งเลยและอีกอย่างหนึ่งคนที่จะปฏิบัติธรรมได้ดีที่สุดก็องคนเป็นคนตาบอดหรืยุ่งใหญ่เลยหมความเข้าใจหรือว่าการปฏิบัติธรรมต้องอยู่ในท่านั่งสมาธิ ถ้าเป็นนยาบทอื่นไม่ปฏิบททัติธรรมอันนี้ยุ่งขัดหลักคาสอนเต็มไปหมดเลยตรงนี้ในสติปัฏฐานเนี่ยก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกกินดื่มเที่ยวริ้มไทยอุจรปัสวายืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งใช่ไหมหลักการยริงแต่การปฏิบัติจริงๆมันเป็นชื่อของตัวสติเป็นชื่อของสมัมปชัญญะเป็นชื่อความเพียรที่สร้างสรรค์ในการที่มาคอยกํากับกระแสชีวิตให้เป็นไปด้วยความดีงามให้คุณธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ผัก ดันพฤติกรรมทางกายทางวาจาและการดําเนินชีวิตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามแล้วก็มันยังมียิ่งไปกว่า น, นั้นก็อย่างที่บอกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมันต้องเป็นศิลปะมันต้องถูกต้องดีงามให้เป็นไปด้วยความเรียใช้ธรรมะถูกสถานการณ์ถูกบุคคลด้วยไอ้ น, นี่เป็นความที่ชาญฉลาดมากถ้าทําได้จริงแล้วก็จะเป็นชื่อเป็นการปฏิบัติธรรมะได้ถูกต้องดีงามถ้าทําได้อย่างนี้ก็โอโ้โหสุดยอดเลยเียนี้แต่ ถ้าพวกเราเนี่ยนะที่มาฟังวันนี้เนะีถ้าทําได้กันทุกคนโหอย่างเงี้ยถือว่าน่าชื่นใจมาฉะนั้นเรามีพันธกิจมีภารกิจในการที่ต้องเอาไปทําต่อเอาไปฝึกถ้าไม่เข้าใจฟังแล้วฟังอีกสอบถามมาแล้วก็บอกทําตัวอย่างทําวิธีการแล้วก็ขีดแผนที่ให้ดูให้เดินยังไงบางทีการปฏิบัติทําในยนุคนี้มันหลุดลอยมานานจาัดเราไม่ได้ปกติเออมือเราไม่ใช่ กรต้นเตือนเราชี้นํากันให้ชี้แจงกันให้ชัดเจนว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะการปฏิบัติทำเป็นแบบนี้เป็น อ, อย่างนั่งฟังธรรมะถ้าใจเป็นไปกับคําสอนเป็นไปกับศรัทธามีความเชื่อมั่นฟังแล้วปราโมอดปีติปสัสสธิสุขสมาธิเกิดสุขสมานาเกิดใจศรัทธามุ่งมั่นนี่เรียกการปฏิบัติธรรมเกิดพอหยุดปุ๊บเราก็สามารถขับ เน้นกุศลให้เกิดขึ้นจากการไปดําเนินกิจกรรมชีวิตไม่ทำมาหลุดลอยเลยไม่กิเลสเข้ามาแทรกได้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมะจุดติดแล้วเหมือนจุดเทียนในอย่จุดเทียนปุ๊บแล้วนะต่อไปเนี่ยเราจะไปจุดต่อใช่ไหมแต่ว่าจุดปุ๊บอย่าให้เทียนมันดับเพราะเทียนดับเสียแล้วแต่นี้อจุดต่อไม่ได้เลยมืดเลยแี่นี้ธรรมะก็คือเหมือนจุดเทียนอ่าตรงนี้สว่างและตอนนั่งนี้สว่างแล้วอ่าต้องไปเดินอ่ะ ต้องมีแสงสว่างด้วยไปยืนไปนอนไปนั่งไปยืนไปไปทํากิจกรรมไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ต้ตองมีแสงสว่างจะได้เห็นว่าจะปฏิบัติการแสงสว่าง น, นั้นไปเชื่อมปัญญาสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องดีงามแล้วก็ได้กุศลทุกเรื่องทุกกิจกรรมในการดําเนินชีวิตได้นี่เขาเราียกปฏิบัติธรรมถ้าทําอย่างนี้ได้ติดต่อต่อเนื่องไม่ขาดสายนะเจวันติดต่อกันนี่เขาเราียกบรรลุได้เลยเนะียน่าเชื่อใจไหมล่ะ ไม่มีบาปมาแทรกเลยติดต่อทาศีลสมาธิปัญญาติดต่อต่อเนื่องแล้วมีความรู้ความเข้าใจอย่างทองแท้เนี่ยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีใช่ไหม ม, ม, มีอานิสงส์ขนาดนั้นในสติปัฏฐานเอาละถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบัติกันได้จริงก็จะเป็นสิ่งที่ดีวันนี้ก็สมควรแก่เวลาข้อมรณากับเราท่านทั้งหลายที่ตั้งใจในการฟังพระธรรมเนาะขอให้พระธรรมของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้า จงสว่างลุ่งเรืองประดุดดวงประทีปแล้วก็ตั้งมั่นยืนยาวเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประชาสัตว์ทั้งหลายได้ดื่มด่ำน้ำพระธรรมหรือได้เอาพระธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตโดยอนุภาพเป็นคุณของพระเจ้าพระธรรมปริยส่์ขออำนวยอวยพรให้โยมท่านทั้งหลายดำเนินกระแสยึดไปตามมรรคาของพระพุทเจ้าคุศลสมาธิปัญญา พัฒนาศีลสมาธิปัญญาเป็นประชุมในขณิกสมาธิอุปจารสมาธิอัปนานสมาธิและวิปัสนาญาณทุกระดับจนสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในอริยมรรคอริยผลูลุถึงซึ่งอนุ ป, ปาทาบลินิพานธ์การพ้นจากกิเลสและกองทุกโดยการทุกท่านทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุหมว น, นั